กราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะคุณแม่ชีนะคะรวมทั้งท่านแขกคุณพีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเรียกว่าเป็นคนที่จะนำพาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพรุทธศาสนาอย่างคนยุคใหม่กันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ท่านพระดรอนินก็ได้ เล่าถึงแขกรับเชิญของเราหรือว่าเกริ่นถึงแขกรับเชิญของเราแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้พบได้สัมผัสแล้วก็ได้สัมผั ส, ส, ผสหรือเปล่าสัมผัสถึงแนวความคิดนะคะของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยอ่านงานที่เป็นงานเขียนของท่านแล้วด้วยนะคะท่านก็โด่งดังมากๆเลยนายเอง็งก็เป็นแฟนหนังสือของท่านวิทยากรรับเชิญท่านนี้เหมือนกันนะคะและเพื่อไม่ให้เวการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับ คุณสรานมัยตรีเวสนะคะหรือว่าพี่ตุลดังตรินนะคะขอเซมิ่พร้อมมือต้อนรับได้ค่ะกลับมามาตการพระคุณเจ้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้นะคะเม่ไหนขออนุญาตถามได้ไหมคะว่ามีใครเคยอ่านงานเสียดายคนตายไม่ได้อ่านหรือ ว, ว่างานอื่นๆของพี่ตุลบ้างคะขอยกมือหน่อยได้ไหมคะอ๋อโหเยอะแ ย, ยะมากมายเลย มีอีกเยอะเลยอยู่ข้างล่างนะคะชั้นสองนะคะที่เรากําลังออชมภาพกันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของพระพุทธศาสนาในสัตวรรษใหม่ค่ะพี่ตุลก่อนอื่นคงต้องถามความเห็นก่อนว่ามองว่าสัตวรัดใหม่ที่เราาจะก้าวไปถึงเนี่ยนะคะพระพุทธศาสนากับสัตวรัดนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะก็จะสัตวรัดนี้หรือสัตววัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะ การเผยแผร่หรือว่าการสืบทอดพระศาสนาเนี่ยในความในมุมมองของผมนี่ก็คือการสร้างคนการสร้างตัวตายตัวแทนไม่ใช่การสร้างความจำหรือว่าการเอาตัวหนังสือไปไว้ในกระดาษนะฮะถ้าเรามองแบบนี้ว่าการสืบทอดหมายถึงการสร้างคนแล้วก็การสร้างตัวตายตัวแทนเนี่ยก็หมายความว่าที่เราจะ รักษาศาสนากันไม่ใช่การที่เราเอาเอาคนไปเรียนแล้วก็จําเพราะว่านั่นเป็นแค่สิ่งที่ไม่ต่างกันกับที่อยู่ในหน้าหนังสือใครๆก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้หรือว่าปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะสามารถไปเสิร์ชดูได้ง่ายๆเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไงบ้างหรื อ, อ, อพระสาวกองค์ต่างๆเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถหรือความเห็นยังไงนะ มันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันว่าการสืบทอดหมายความว่าเราสร้างคนขึ้นมาหลายๆคนมากพอที่จะเป็นตัวแทนให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกรวมทั้งเป็นหลักฐานว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงได้จริงไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเอาความรู้เอาความเข้าใจพื้นๆ น, น, นะมาถกเถียงกันนะครับอันนี้คือคือในมุมมองของผมพูดง่ายๆก็คือว่าเราสร้าง ตัวแทนให้กับพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายของพระทั้งฝ่ายของคารวาส น, นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคําว่าตัวแทนแล้วตัวแทนจะต้องส่งอะไรที่เป็นสารไปถึงใจของคนที่เรียกว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นพระพุทธศาสนาชนคือเป็นแต่ชื่อแต่ว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารักษาศีลห้าแล้วมีผลยังไงไม่รู้จักบุญหรือว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าอะคะ่ะวิทูล จริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยนะโดยแก่นเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องอจินไตยหรือว่าพูดถึงเรื่องที่เข้าใจยากไม่สามารถที่จะคิดคํานวณได้ไม่สามารถที่จะมานั่งวิเคราะห์วิจัยกันด้วยเหตุด้วยผลนะยังบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องอจินไตยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจแต่เราพูดกันพื้นๆราวกับเป็นเรื่องที่สามารถทาความเข้าใจได้ทันที ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยนะจริงๆแล้วขอให้มองว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมถ้าเราจะเชื่อกันจริงๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแล้ววิบากกรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสี่ของไอจินไตไอจินไตมีอยู่สี่นะครับสิ่งที่ไม่ควรคิดคิดแล้วจะพุ่งสั้นเปล่าเป็นบ้าเปล่านั่นก็คือพุทธวิสัยนะเรื่องของฌานเรื่องของโลกจักรวาล น, นะแล้วก็เรื่องของวิบากกรรม วิบากกรรมจริงๆแล้วอยู่อันดับสามนะเป็นอจินไตยที่เข้าใจยากอันดับสามคือถ้าหากว่าเราจะบอกว่าทํากรรมอะไรไปแล้วคิดพูดทําอะไรไปแล้วมันมีผลรออยู่และทุกคนเชื่อกันได้ง่ายๆนะจะไม่มีใครเลยที่ทําบาปทุกคนจะพากันทําดีหมดเพราะว่ารู้ว่าผลของการทําดีมันคือการได้ดีคือการได้เสบยสุขอยากได้รถเอาทําดีอยากได้บ้านเอาทําดี อยากได้สวรรค์วิมานเอาทําดีถ้าเกิดมันเห็นซะแล้วมันเชื่อซะแล้วปักใจไปแล้วเนี่ยว่าผลของความดีมันไม่ไปไหนมันมีอะไรรออยู่จริงๆนะเชื่อเถอะว่าทั้งโลกนี้จะคุณจะไม่เห็นนะว่ามีสัตว์ในฉานป้วนเปี้ยนอยู่คุณจะไม่ได้ยินคําว่าสัตว์นรกไม่ได้ยินคําว่าเปรตไม่ได้ยินคําว่าสัตว์เอ่อไออสุรากายอะไรทั้งสิ้นนะนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกคนจะรู้กันหมดมีวิชาที่ถูกต้องกันหมดนะ ได้ได้เห็นว่าทําอะไรไปแล้วจะเกิดผลยังไงอย่างพระพุทธเจ้านะั้นท่านเคยตรัสไว้บอกถ้าคนทั่วไปเนี่ยเห็นผลของการให้ทานเหมือนกับที่พระองค์เห็นนะรับรองเลยว่าก่อนที่เราจะกินข้าวกันเนี่ยเราจะให้อาหารสัตว์ก่อนเราจะให้อาหารพ่อแม่ก่อนเราจะให้อาหารคนยากคนจนก่อนนะ เพราะว่าผลของทานเนี่ยมันใหญ่หลวงเหลือเกินแต่นี่เพราะไม่เห็นอย่าว่าแต่จะมาให้คนอื่นเลยอย่าว่าแต่จะมีกระจสละให้คนอื่นเลย <หา S 1> มันจะไปแย่ ง, ง, ง ม, มันจะไปแย่งคนอื่นมาได้ซ้ำนะนี่ตรงนี้คือความไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าพูพดถึงการทำดีได้ดีการทำชั่วด้ชั่วเนี่ยจริงๆแล้ว เ, เหมือนกับคาที่ง่ายๆที่ติดปากแล้วก็ทุกคนท่องบ่นกันแต่ว่า ทำดีได้ดียังไงทำช่วได้ช่วยยังไงตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่นะและนอกจากเการทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วแล้วมันยังมีเรื่องของการพ้นทุกข์มันยังมีเรื่องของมรรคผลนิพพานพูดง่ายๆว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของการให้ความรู้ที่เป็นอจินไตยนะในแก่นน ะ, ะแต่ทำอย่างไรล่ะที่เราจะพาคนเนี่ยยกคนเนี่ยขึ้นมารู้เรื่องที่เป็นอจินไตได้นะก่อนอื่นก็ต้องอาศัยศรัทธาก่อน ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าท่านรู้จริงศรัทธาว่าท่านมีเหตุผลถ้ายังไม่สามารถที่จะศรัทธาถ้ายังไม่สามารถจะเชื่อได้ยังน้อยลองฟังดูก่อนว่าท่านตรัสอะไรไว้บ้างนะแล้วค่อยๆดูว่าท่านมีเหตุมีผลยังไงนะตรงนี้พูดง่ายๆนะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สืบทอดได้ยากต้องทําความเข้าใจกันที่ภาพรวมตรงนี้ก่อนเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเวลาที่ท่านตรัสรูออ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็ยังมี พระไถ่ทะนะ้อะฮะอยากจะขวนขวายน้อยเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ค้นพบเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจตามมันยากที่จะรู้ได้ตามแล้ววิสัยของสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปตามกิเลสถูกครอบงาด้วยกิเลสสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเนี่ยท่านเกรงว่าจะสูญเปล่านะแต่ต่อมาท่านท่านเห็นว่าบัวมีสี่เหล่านะจริงๆนะท่านท่านพูดถึงแค่สามเหล่าแหละในในช่วงช่วงที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วสามารถที่จะ เข้าใจตามได้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่สามารถเข้าใจตามได้ซะเลยท่านเห็นอย่างนั้นท่านเลยมีแก่ใจที่จะสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นมานี้ถ้าหากว่าเรามองนะเราเรามองอย่างนี้นะว่าเบื้องต้นท่านมองนะว่าสิ่งที่ท่านค้นพบเป็นของที่เข้าใจยากเข้าถึงได้ยากเราก็ต้อง <คน S 1> มองมด้วยความนะมองด้วยความเข้าใจเช่นกันว่าที่จะสืบทอด คำสอนของท่านหรือว่าความจริงที่ท่านค้นพบแล้วเนี่ยเอมันไม่ใช่อยู่ๆมาพูดกันได้เล่นๆไม่ใช่อยู่ๆเห็นว่าเออจะพูดคาไหนก็ก็ได้หรือว่าเราไปศึกษามีความรู้อะไรมีความเข้าใจอะไรมาแล้วเป็นของชั้นสูงยิ่งธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่นะต้องจําไว้เลยต้องระลึกไว้เลยว่ายิ่งเป็นของที่พูดได้ยากไม่ใช่จะพูดได้ทุกโอกาสนะสิ่งที่เราจะพูดกับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจูนกับเขาติด อย่างเช่นนะฮะถ้าหากว่าเรามีแก่ใจ<ฮ>ที่จะเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราถามตัวเองสิว่าเวลาคนรุ่นใหม่เขาถามกันว่าเขาอกหกักเขาจะแก้ไออาการอ ก, อกหักนี่ได้ยังไงเรามีคําตอบให้เขาไหมหรือว่าเขาอยากได้ความรักเขาจะทํำยังไงเรามีคําตอบให้เขาได้ไหมหรือว่าเขาเครียดจากการทํางานเรามีคําตอบให้เขาได้ไหมเนี่ยลักษณะต่างๆนะของคําถาม ที่คนร่วมสมัยมีอยู่แต่ถ้าเราเมาสํารวจนะว่าเรามีความสามารถจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้หรือเปล่าตรงนั้นแหละคือประเด็นสําคัญที่สุดในการเผยแผ่นะค่ะเราที่พี่ตุลพูดถึงเรื่องของการสร้างศรัทธา ต, ต่อผู้ที่จะถ้าจะมีแก่ใจในการเผยแผ่แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่ตุลขยายความตรงนี้นิด น, นึงว่าใครจะมาเชื่ออะไรใครเนี่ยมันต้องสร้างอะไรบ้างแล้วก็สร้างไปแล้วเนี่ย เขาจะนําเอาสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยไปต่อยอดให้เข้ากับชีวิตเขาได้ยังไงถ้าเกิดแบบอย่างมีถ้าเกิดว่า อ, อกหกักมีความรักแล้วไม่สมหวังสมมติอย่างเงี้ยนะคะตามกิเลสปุถุชนทั่ ว, วไปแล้วก็บอกให้ปลงอย่างนี้มันก็เหมือนกับปิดประตูใส่เขาอย่างที่พี่ตุนเคยเล่าอะคะ่ะใช่คือพุทธศาสนานเนี่ยนะบอกแล้วว่าพูดเรื่องอาชินตายพูดเรื่องที่เข้าใจได้ยากอย่างแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราสืบทอดกันเป็นคําติดปากเนี่ย มักจะเอาเรื่องยากๆมายกตัวอย่างเช่นบอกให้ปล่อยวางสิปล่อยวางนี่จริงๆนะ้บเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะคือเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าเ อ, อถ้าหากจะให้พระองค์ย่นย่อศาสนาของพระองค์เนี่ยลงมาเหลือคําเป็นคําสั้นๆให้ได้แบบกระชับที่สุดเนี่ยท่านจะตรัสว่ายังไงท่านตรัสว่าเออก็ทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือแก่นของศาสนาปฏิเสธไม่ได้ แต่เวลาที่เรามาพูดเพื่อสืบทอดกันเนี่ยนะเราบอกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ควรถือมั่นแล้วปล่อยวางอย่างนี้คนฟังไม่เข้าใจแล้วไปทาตามอย่างอื่นด้วยปะคะคือเวลาที่เราสืบทอดกันเนี่ยนะเวลาที่เราถ่ายทอดกันเนี่ยมันจะออกแนวที่ว่าให้คิดปล่อยวางให้คิดปลงให้คิดในทางที่มันจะพูดง่ายๆว่าทิ้งทิ้งค่องๆเนี่ยซึ่งคนรุ่นใหม่จะปฏิเสธแล้วก็เกิดอาการต่อต้านมันจะไปทิ้งได้ยังไง ในเมื่อยังต้องใช้ชีวิตยังต้องเอาตัวทอดกันอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นอันแรกนะที่สืบทอดกันหรือว่าถ่ายทอดกันในในแนวทางที่มันจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็มีอาการรู้สึกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่โบราณไปแล้วยิ่งกว่านั้นนะมันยังมีช่วงใหม่ช่ว ง, ช, วงช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของอการทำดีได้ดีทาชั่วด้ชั่วเนี่ย เริ่มเลื่อนไปมันกลายเป็นว่าเออถ้าหากว่าทำกรรมอะไรมาแต่ชาติก่อนแล้วมีเหตุใหเออ้เป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้ต้องตกเคราะห์ำำนะใช่ตกประกำลำบากนะเข้าเคราะห์เข้าอะไรต่อเม่อะไ ร, ต, ะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีวิธีแก้กรรมเนี่ยจะไปสืบความเชื่อกันในเรื่องของกรรมเนี่ยด้วยวิธีที่เคยทำกรรมอะไรมาก็แล้วแต่สามารถลบล้างด้วยวิธีแก้กรรมทาพิธีอะไรบางอย่าง ง่ายๆสั้นๆ น, นะนี่ถ้าหากว่าเราเอามาสืบความเข้าใจกันสมัยปรับภาพปรับมุมมองของพุทธศาสนากันสมัยว่าพุทธศาสนาคือคําตอบให้กับทุกคําถามไม่ว่าเขาจะถามอะไรมาเราสามารถตอบได้หมดอันนี้เรียนแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเดิมทีเวลาท่านสอนพระ โอเคท่านมาพูดถึงสิ่งที่ท่านค้นพบแล้วแล้วน่าพูดถึงมากที่สุดนั่นคือมรรคผลนิพพานแล้วก็การปฏิบัติสติปัฏฐานสีอะไรต่างๆแต่เวลาที่ท่านตรัสสอนคาวาคารวะามาถามอะไรท่านท่านก็ตอบตอบหมดอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรา มีคำตอบให้กับคนรุ่นใหม่นะว่าทำยังไงถึงจะไม่ได้ต้องอกหักรักคุดทำยังไงถ้าหากว่าเจอแฟนแล้วเนี่ยอยากจะครองรักกันตลอดชีวิตแล้วก็ไปเจอกันอีกในชาติหน้าเนี่ยถ้าหากมีคำตอบให้เขานะอันนั้นจะเหมือนพระพุทธเจ้านะเพราะว่ามีเคยมีญาติโยมไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่รักกันมากทาอย่างไรถึงจะครองรักกันได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องแตกแยกกันนะแล้วก็สามารถไปเจอกันได้ในทุกพบทุกชาติที่ตามก<า><า>ั น, ปน ไ, ปไปเกิด<ป>ถ้าเป็นสมัยเราถ้าสมมติว่าจะตอบกันแบบดื้อๆบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ปล่อยวางก็บอก อ, อ, อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกันเลยไปตอบแบบนี้เขาก็ปิดละใช่แล้วทําไงไงคะต้องตอบอยังไงคะต้องตอบแบบพระพุทธเจ้านะ ท, านท่านตอบตรงไปตรงมาถึงเหตุถึงผลของการมีความรัก แล้วก็มีความสามารถที่จะอยู่ครองคู่กันได้ยังคนถามว่าความรักเกิดขึ้นจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเป็นพเพราะบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาแต่การก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเกื้กูลกันด้วยนอกจากนั้นถ้าหากอยากจะอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆตลอดไปทุกภพทุกชาติมีวิธีเดียวคือทําให้ศรัทธาจาคกะศีลแล้วก็ปัญญาเนี่ยเสมอกันนะถ้าหากว่าเราเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ย ก็คือการจูนจิตให้มันมาเสมอกันจูนชีวิตจูนไอสถานภาพในชาติปัจจุบันเนี่ยให้มันกลมกลืนกันมันก็รักษาภาวะคู่ไว้ได้ตลอดรอดฝั่งนะแล้วก็สามารถที่จะถ้าหากว่าชาติหน้าจะมีจริงก็สามารถตามติดไปเจอกันได้เพราะว่ากรรมมันเสมอกันก็ส่งไปให้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเสมอกันนะอันนี้ถ้าเราเราเริ่มพูดในสิ่งที่ เอ่อเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็เป็นคําตอบให้กับโจทย์ทั้งหลายของคนยุคใหม่นยะเราจะพบว่าเขาอยากจะมาฟังเรื่องราวในพุทธศาสนาด้วยตัวงเขาเองนะมากขึ้นค่ะนะถ้าพูดง่ายๆนะถ้าหากว่าเรารู้ครอบคลุมจริงๆว่าพระพุทธเจ้าเคยตอบอะไรไปบ้างเคยตรัสเทศอะไรไปบ้างแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าข้อสงสัยของคนยุคใหม่คนยุคใหม่จะไม่ไปไหน จะไม่ปิดประตูใส่พุทธศาสนานะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทําให้แนอนอ่านหนังสือพี่ตุลได้ต้องบอกอย่างนี้ด้วยทําให้เพื่อนๆอ่านหนังสือที่พี่ตุลเขียนได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีคําอธิบายที่ค่อนข้างเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ คำหรือว่าพระพุทธธรรมรัดของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆต่อแตะเดินตามสะพานนั้นมาได้นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะมีทั้งพระคุณเจ้ามีคุณแม่ชีด้วยแล้วก็มีพี่ๆที่สนใจในเรื่องของศาสนาเองด้วยเนี่ยจริงๆแล้วสมเด็จพระสังฆราชของเราท่านเองท่านก็ได้ให้ธรรมะหรือว่ามีความทันสมัยอยู่ในพระนิพนธ์ของท่านเหมือนกันอย่างให้พี่ตุลเล่าหรือว่าได้บอก คำที่พี่โดนประทับใจในตัวสมเด็จพระอภัยท้าวุญญาจา่ะคือจริงๆแล้วสมเด็จยานเนี่ยนะท่านาตรัสสอนอะไรไว้ที่น่าประทับใจเนี่ยเยอะเหลือเกินทีนี้ไอ้ที่เยอะๆเนี่ยถ้าหากว่าเอามารวมๆกันเนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่ไม่รู้จะไปเลือกเอาจากตรงไหนก่อนนะวิธีที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ถ้าอยากจะให้รู้จกัก อ, องค์สมเด็จยานจริงๆเนี่ย บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของประวัติหรือว่าเรื่องของผลงานหรือว่าคุณงามความดีของท่านแต่เป็นเรื่องที่ว่าท่านฉลาดขนาดไหนที่ใช้คําพูดสั้นๆบางคำเนี่ยกระแทกใจหรือว่าทําให้ปัญหาของหลายๆคนเนี่ยมันแตกทลายไปได้อันนี้คือผมพูดขั้นต้นนะเวลาที่เราจะลิงก์กับเขาเวลาที่เราจะทอดสะพานเนี่ยมันมันจะต้องเอาอะไรแบบนี้ก่อนง่ายสั้นแล้วก็กระทบใจนะโดนใจ แต่ไอความกระทบใจความโดนใจความยอมรับนับถือนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เขาขวนขวายศึกษาเองว่าพระประวัติเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านเคยมีคุณงามความดีอะไรมาบ้างนะอันนี้อย่างผมจดไว้ในมือถือเลยนะว่าอย่างพระดำรัตที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้จดจดไว้เลยนะคือ บทในบทพระนิพนธ์เนี่ยอย่างแสงส่องใจหรือว่าเมตตาดับกโกรธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ<ม>ค่อนข้างใญ<ม>่กระจัดกระจายนะอ่าชีวิตน้อยนี้น้อยนักแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าผลกรรมไม่มีอะไรอํานาจใดใหญ่ไปกว่ากรรมนะเนี่ยคือแค่ชื่อหนังสือชื่อพระนิพนธ์ของพระงท่านก็ก็สอนใจเราได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับในจังหวะนั้นเนี่ยเรารู้สึก อยู่จริงๆใช่คือเอาเ น, นี่ยผมเอาที่จําได้ขึ้นใจเลยอย่างท่านท่านตรัสนะบอกว่าใจที่มีค่ากับใจที่ไม่มีค่าเนี่ยนะปกติเวลาที่เราจะวัดกันเราเราจะวัดคุณค่ากันด้วยความรู้ความสามารถความน้าหนยอะไรต่างๆแต่ท่านตรัสลงไปถึงนามธรรมท่านบอกว่าใจที่ไม่มีค่าเนี่ยคือใจที่มักโกรธใจที่มันมีความเร่าร้อนส่วนใจที่มันมีค่าคือใจที่มันเยือกเย็น นี่จริงๆแล้วถ้าฟังฟังดูมันเหมือนของง่ายๆนะแต่ถ้าพิจารณาลงไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นอย่างที่ท่านตรัสจริงๆอย่างบอกใจที่ไม่มีค่าคือใจที่มันมักโกรธใจที่มันมีความร้อนรนทุรนทุรายเนี่ยใจแบบนั้นไปที่ไหนมันพินาศที่นั่นใจแบบนั้นนั่งอยู่ที่ไหนที่นั่นเหมือนกับเป็นแหล่งผลิตความร้อนที่นั่นนะถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่รุ่น้องจะเกลียด ถ้าเป็นคนทํางานก็เป็นคนทํางานที่ผลงานออกมาแบบคือค่อนข้างจะปึงปังลวกลวกเพราะคนมักโกรธเนี่ยมันจะไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยใจเย็นไม่ค่อยทําอะไรประณีตเนี่ยมันพอเริ่มต้นที่ใจที่มันไม่มีค่าแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีค่าตามไปด้วยเอาอะไรไปคูณศูนเนี่ยมันก็จะได้ศูนย์นะพี่ใช่แล้วอย่างถ้าใจที่เยือกเย็นเนี่ย บอกว่าท่านท่านตรัสว่าเป็นใจที่มีค่าเนี่ยนะมันก็เราพิจนารณาดูมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือการที่เรามีใจเยือกเย็นได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ร้อนเนี่ยให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เย็น เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้เนี่ยเราบอกว่าไอ้ความมีค่าเนี่ยเป็นอยู่ที่เพชรอยู่ที่พลอยอยู่ที่ความร่ํารวยฐานะอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันเป็นแค่เปลือกนอกแต่ไอ้ที่มันเป็นแก่นจริงๆเนี่ยที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยมันออกมาจากใจที่เย็นไม่ใช่ออกมาจากใจที่ร้อนนี่ตรงนี้นะถ้าใครพิจารณาพินิษฐ์จริงๆคําสอนของท่านเนี่ยมันมันจริงอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าหากว่าเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยเนียก็ก็จะเป็นประโยชน์กั ตัวของเราเองเนี่ยผมมีวาทะที่ผมจดไว้เดี๋ยวขอขอยกขอยกมา <ไง S 1> อีกสักสองสม<ะ>วาทะก็แล้วกันยังท่านท่านตรัสนะว่าทุกคนเนี่ยอยากสบาย<ะ>แต่ไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดเป็นความสบายนะนี่เป็นวาทะได้เลยนะถ้าถ้าไปโพสสั้นๆมันก็แทกใจนะมันทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเนี่ยเห็นตรงกันว่าเออจริงเพราะอะไรเพราะว่า ท, ท่านตัดขยายความนะบอกว่าการเพ่งดูผู้อื่นเนี่ยจะทำให้ตัวเองไม่มีความสุขแต่การเพ่งดูใจตัวเองเนี่ยเท่านั้นนะที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขได้ถึงเวลาที่เรากำลังโกรธมากถ้าหากเพ่งดูใจตัวเองให้เห็นว่ากำลังโกรธมากความโกรธก็จะลดลงหรือเมื่อโกรธน้อยเพ่งดูใจตัวเองแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ความโกรธน้อยนะั้นมันหมดไปนี่คือการดูใจ หลักการของพระพุทธเจ้านะในจิตตานุปัสสน า, านี่นะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้พอดูความโกรธเนี่ยความโกรธมันจะหายไปให้เห็นหรือถึงมันไม่หายไปมันก็ลดกําลังลงมันก็อ่อนกําลังลงผลคือนะถ้ามีสติมองความโกรธไม่ไปดูสิ่งที่ทําให้เราโกรธเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขเกิดความสบายใจเป็นทุกข์อยู่มันก็จะทุกข์น้อยลงหรือว่าเป็นทุกข์ที่น้อยอยู่แล้วมันก็จะไม่ทุกข์เลยแล้วกลับมีความสุข ข, ขึ้นมา ทุกที่หมดไปนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนะคือคือแต่ท่านมาตรัสไว้เป็นคำสั้นๆบอกทุกคนอยากสบายแต่ไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดเป็นความสบายนี่คือเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่กระแทกใจด้วยนอกจากนั้นนะก็มีที่ผมประทับใจอย่างท่านบอกว่าจิตตนครเป็นนักครหลวงของโลกฟังดูมันมัน น่าพึงนะมีมีพลังประทะพอสมควรเีเดียวเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วท่านเอาคําว่าจิ ต, ตะนะครเนี่ยมาจากพุทธพจน์ท่านท่านบอกว่า จ, จิตจิตะนะครตามพุทธภาษิตเนี่ยนะพระพุเจ้าตรัสว่าพึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครเนี่ยท่านก็เลยเอามาผูกเป็นคําว่าจิตตะนะครนะท่านพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้ า, จาท่านอุปมาไว้เปรียบไว้ว่าจิตเนี่ยเหมือนนครนะครนหนึ่งนะเป็นแรงเกิดแห่งความสุขความทุกข์ เป็นแรงของความเจริญความเสื่อมนะแล้วก็เป็นสมบัติเป็นของเป็นเป็นเป็นสมบัติด้วยแล้วก็เป็นความวิบัติของโลกด้วยนะไอตัวจิตตนครจริงๆเนี่ยมีความพิสดานน่าดูน่าชมถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเราก็จะเกิดความเพลิดเพลินเราก็จะเกิดความเห็นว่าสิ่งที่พิสดานที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้างนอกแต่เป็นเรื่องที่อยู่ไม่ใช่ใกล้ตัวนะแต่ติดตัวเป็นตัวเราเลย คือจิตเนี่ยแหละมันทั้งไหลทั้งปองมันขึ้นต้นที่จิตนะแล้วจิตเนี่ยเปรียบเหมือนอาณาจากักรเปรียบเหมือนนครยิ่งดูมันก็จะยิ่งเห็นนะว่ามันมีความพิสดารขนาดไหนอ่าแล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขอขอยกอีกข้อหนึ่งกันละกันอันนี้ประทับใจจริ ง, รงนะอยากฟังเยอะกว่านี้เลยนะคะได้อีกเลยคะ่ะเอาเอาอีกข้อหนึ่งกันละกันที่ท่านตรัสไว้นะบอกว่าโรคทางใจเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกตัวคนนะจะหนักจะเบาเนี่ยต่างกันที่อํานาจของกรรมที่ตนกระทํา คือคนมักจะมองว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันมีความเป็นปกติอยู่เป็นคนปกติอยู่เพราะอยู่นอกโรงพยาบาลบ้าคือไปสรุปแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองเขตก้าวเนี่ยมีแค่เขตโรงบาลกับเขตข้างนอกรั้วใช่ตอนนี้บอกว่าตัวเองอยู่ออยู่ข้างนอกโรงพยาบาลถือว่าปกติแต่จริงๆเนี่ยไปถามจิตแพทย์นะบอกว่าจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ยบอกเองเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนบ้าที่อยู่นอกโรงพยาบาลมีมากนะ ส่วนคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบางทีไม่ได้บ้านะเขาแค่มีอาการผิดปกติแล้วก็โดนญาติจับมาส่งเท่านั้นเองนี่สมเด็จยานเนี่ยท่านมาตรัสไว้ขยายความนะบอกว่าที่บอกมีโรคทางใจอยู่ทั่วทุกตัวคนแล้วว่าต่างกันตามอำนาจของกรรมของแต่ละคนที่ทำไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถึงพระธ ร, รรมคำสอนของพระทเจ้าจะเป็นยา จะเป็นโอสถสามารถรักษาโรคทางใจของผู้ที่ไม่ยอมรับนะฮะก็แตกต่างกันคือคือ<ด>ถึงแตตงม้ว่าเป็นปายาใช่ไหมคะใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นยาไม่ใช่สามารถจะรักษาได้ทุกคนคือเริ่มต้นขึ้นมาถ้าหากมันไม่ยอมรับกันซะแล้วไม่ยอมรับการรักษาก็เหมือนกับคนป่วยคนหนึ่งดือ้อบอกว่าเดี๋ยวฉันจะหายของฉันเอง ด้วยกำลังใจของฉันเองไม่ยอมไปหาหมอหมอแนะนําอะไรก็ไม่เชื่อเนี่ยเปรียบได้กันแบบนั้นนะขึ้นต้นมาถ้าไม่เชื่อซะแล้วเนี่ยถึงแม้ยามีอยู่ยารักษาโรคมีอยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะ อ, นนอันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าหากกรรมขึ้นต้นมาด้วยความไม่ศรัทธาซะแล้วขึ้นต้นมาด้วยความโง่เขลาซะแล้วขึ้นต้นมาด้วยความดื้อด้านซะแล้วยามีอยู่ก็เหมือนไม่มีนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สมเด็จยานท่านมาตรัสไว้เป็นวาระสั้นๆ นิวาทสั้นๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลยังไงถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะเราต้องนิยามก่อนว่าปัจจุบันเป็นยังไงหนึ่ง<ะ>มีเวลาน้อยถ้าไม่งานงานหนักก็การบันเทิงมากสองคือเป็นคนที่มีความเครียดสูงนะคนสมัยนี้เครียดกันมากจริงๆถ้าทุกท่านนะไม่ไว่าจะอยู่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่ จะพบความจริงอย่างเดียวกันก็คือว่าคนสมัยนี้เนี่ยต้องพึ่งยาแก้แก้โรคประสาทกันมากยาแก้โรคประสาทก็ได้แก่ยาแก้ปวดนั่นแหละนะยาแก้ปวดนี้ขั้นพื้นฐานเลยนะเป็นยาแก้โรคประสาทขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วมันยังมียาที่มันเ อ, อ่ยกระดับขึ้นไปมากกว่านั้นตามอาการยิ่งหนักเนี่ยต้องการยิ่งต้องการดียายาดีและยาแพงเอางนะ่ายๆนี่คือแค่นอนไม่หลับเนี่ยก็ถือว่า เป็นโรคแล้วใช่แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้กันหมดหลับเหมืนกันหลับแล้วเหมือนฝันว่านอนไม่หลับยังไงไม่รู้แล้วฝันว่ากําลังวิ่งอยู่ก็มีนะแล้วตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยจริงๆแล้วอาการวิ่งมันเป็นภาพแสดงนะสะท้อนนี่เห็นว่าใจมันยังยังไม่ยอมหยุดพักมันยังไม่ยอมนอนนั่นเองนะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคนรุ่นใหม่เนี่ยนะจะเป็นพวกที่หอยหาความรักหอยหาความอบอุ่นทั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า สิ่งเร้ามันเยอะเหลือเกินสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยนะมันทำให้จิตใจของคนเนี่ยไม่ปกติคือต้องการอะไรมากเกินพอดีมากเกินกว่าที่ตัวเองพึงมีพึงได้ยังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาอยู่กันตามท้องทุ่งท้องนานเนี่ยนะมันก็เหมือนกับไม่ค่อยได้เห็นอะไรเล้าใจเท่าไหร่ไอสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดความอยากก็ อย่างมากก็เพศตรงข้ามที่อยู่ในละแวกเดียวกันแต่ปัจจุบันเป็นยังไงคือแค่ออกจากบ้านเนี่ยมันสามารถเห็นตามคัทเอาตามอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยยั่วตายยั่วใจให้เกิดความอยากที่มันเกินระดับพอดีของตัวเองนะการที่มันมีผลยังไงการที่คนเราเนี่ยต้องการสิ่งเราแรงแรงมันทำให้รับอะไรใหม่ๆได้ยากถ้าหากว่ามันไม่เร้าใจมากพอนะ นี่ทีนี้เรามาบวกกันนะมีเวลาน้อยด้ว ย, วยเครียดย ด, ด้วยฝันว่านอนไม่หลับด้วยอนะแล้วก็ต้องการสิ่งเร้าที่แรงแร <c oughs> ด้วยมันหมายความว่าอย่างไงถ้าหากเราอยากจะแนะนําพุทธศาสนาให้เขารู้จักกันจริงๆเราต้องทําให้สอดคล้องกับพวกนี้เนะีคือว่าทําอะไรให้มันสั้นโดนใจแล้วก็เกิดความผ่อนคลายอย่างรวดเร็วอย่างว่าครู่ที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยว่าท่าของท่านสมเด็จยานเนี่ยถ้าหากว่าเอาไปโพสต์ นะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาไปโพสต์ในแหล่งที่จะมีคนเข้าไปอ่านเยอะๆจะมีคนรู้จักหันมารู้จักสมเด็จญาณกันอีกเยอะเลยมันดีกว่าที่เราพยายามพิมพ์หนังสือหนาๆของท่านแล้วก็บอกอ่านเนี่ยธรรมะที่มีประโยชน์ธรรมะที่มีคุณค่านี่คือขอให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากประสบการณ์ตรงนะคือคืออาจจะพูด ในแบบที่ท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยเต็มร้อยแต่ขอให้เปรียบเทียบดูเอาตามจริงนะ <S <S ระหว่างหนังสือเล่มโตๆการถ้อยคำสั้นๆแต่มันแก้ปัญหาทางใหญ่ได้ทันทีคนยุคใหม่เนี่ยคุณคิดว่าท่านท่านคิดว่าเขาจะเลือกอย่างไหนนะอันนี้เป็นการทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเรากำลังพูดถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่เนี่ย เราต้องใจเราต้องเข้าใจว่าคนในสัตวรวัตใหม่เป็นอย่างไรกันก่อนแล้วเลือกวิธีหรือวิถีทางที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าเราพยายามคิดคิดให้คิดแทนคนรุ่นใหม่ว่าเขาควรจะได้รับอะไรเพราะว่าบางทีการคิดแทนเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความต่อต้านใช่คือภาพรวมเนี่ยนะตอนนี้คนมองพุทธศาสนาเนี่ยสองแบบถ้าเชื่อเชื่อเลย ในลักษณะที่ขอโทษนะขออภัยนะเรียกว่า ง, งมงายคือไปไปเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องกรรมและการแก้กรรมนะหรือไม่ก็ให้พึ่งพาอะไรที่มันเป็นวัตถุมงคลหรือไสยศาสตร์อะไรต่อเม่ต่างๆไม่พูดถึงการแก้กรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้การแก้กรรมมันมีอยู่นะแต่ไม่ใช่แก้กรรมด้วยพิธีแต่เป็นการแก้กรรมด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำ คือเปลี่ยนการกระทากรรมปัจจุบนันของเรานั่นเอง ม, มันก็คือการหันเหเส้นทางที่เราเดินไปนั่นเองนะถ้าหากว่าเราเราคิดเราคิดให้คนรุ่นใหม่เราจะคิดในแบบที่ว่าพระพุทธศาสนาสำเร็จรูปพระพุทธศาสนาที่เป็นธงที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเนี่ยคืออะไรเราก็จะคิดถึงคำว่านิพพานหรือว่าคำว่าปล่อยวางคาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่น นะซึ่งคําเหล่านี้เนี่ยถามว่าถูกไหมมันถูกแต่ว่าการที่เราพยายามย้ําตอกย้ําไปเนี่ยว่าพุทธศาสนาพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะหรือพูดอยู่ในขอบเขตแค่นี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับปิดประตูใส่เหมือ น, นกับวางวางธงไว้ที่เ v e r อเรค่ะแล้วแล้วเราไม่สามารถจะไปได้เพราะว่ามันไกลมากงานยุ่งมากมันไกลเกินไปเขา<อ><ก>ไม่มีเวลามากพอแล้วก็ไม่มีกําลังมากพอด้วย<ช>คือสิ่งที่เร า, เราควรจะสร้างให้เขาเนี่ยคือเครื่องบิน เครื่องบินหรือว่ารถยนต์หรือตัวเครื่องบินด้วยนี่นี่พูดถึงนะในความ <c oughs> เป็นจริงในโลกความเป็นจริงที่ว่า <c oughs> ถ้าเราจะพาเขามาค่ะ <c oughs> คือเราไปตามตัวเขามา <c oughs> นะเราอยู่กันที่ไหนเา <c oughs> เราต้องไปตามเขาก่อนออคือเราต้องตามเขาไปก่อนไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปพาตัวเขามาได้ทันทีแล้วคนคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่เนี่ยก็อยู่ตามนะพวกชาวดอยก็ยังอยู่ที่ดอยนั่นแหละนะคนเมืองก็ยังอยู่ในเมืองนั่นแหละ แต่ว่าสิ่งที่เชื่อมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยโลกแคบลงก็คืออินเทอร์เน็ตหรือว่าวิธีสื่อสารอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆนะถ้าหากว่าเรามองมองจริงๆนะว่าเครื่องมือสื่อสารที่ได้ผลที่สุดปัจจุบันเนี่ยหนีไม่พ้นโทรทัศน์เพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยราคาถูกวิทยุราคาถู ก, าาถกนะสิ่งที่เราให้ไปทางวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยลองลองสำรวจดูว่ามันสามารถไปเปลี่ยนใจคนได้หรือเปล่า ถ้าเราสำรวจอย่างนี้นะถ้าเราสำรวจกันอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราจะพบว่าบางทีผมเปิดรายการวิทยุฟังบางทีผมยังเครียดเลยฟังรายการธรรมะนะฟังรายการธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะถ้าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยากจะได้ความผ่อนคลา ย, ยาเขา ไ, ไม่เย็นๆ น, นะคะเขายังไม่ได้อยากได้ความรู้แต่บางทีนั้นในรายการโทรทัศน์หรือว่ารายการวิทยุที่เป็นเช่องธรรมะเนี่ยค ไปพูดกันเรื่องที่คนเขาไม่เข้าใจหรือว่าหนักกว่านั้นไปเถียงกันให้เขาดูว่านี่ความเห็นของคุณมันผิดอยู่นะไม่ใช่ที่ถูกต้องมันจะต้องอย่างนี้นะี่ฟังแล้วก็หน้าเครียดเหมือนก<อ>ันะพอเขาเปิดเปิดช่องไปโอนี่พุทธศาสนา ย, ยังไม่จบนี่ตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปเขาก็ปิดหรือเปลี่ยนช่องหนนะีที่เขาจะไปฟังธรรมะเย็นๆอะไรเนี่ย มันตรงกันข้ามเลย<ะ>เขาบอกว่าอย่างนี้ที่บ้านเขาก็มีนะไม่ต้องเปิดทีวีดูช่องรายการธรรมนะเนี่ยที่บ้านเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็ไม่เอานะทีนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ไปพูดเรื่องสูงสูงเกินเกินกว่าที่เขาจะรับเนะี่ยไม่ไปพูดเรื่องการปล่อยวางไม่ไปพูดเรื่องการทําใจให้ได้ไม่ไปพูดเรื่องที่ว่าเออเ อ, อ, อะไรอะทำดีได้ดีทาชั่วได้ชัว<ก>่วแค่สั้นๆะอะไรนะยังไง เราเราพูดกันเรื่องแก้เครียดก่อนเราพูดกันเรื่องทำยังไงจะมีความรักที่ถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมซะก่อนนะฮะแล้วอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงพระคุณเจ้านะคือคือของพระคุณเจ้านี่เป็นเป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะเพราะเราเราต้องมาแยกกันในเรื่องของหน้าที่ของพระกับคารวาส ด, ด้วยพระคุณเจ้าเองก็มีหน้าที่ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์จากเรื่องต่างๆภายนอกให้กับคารวาสนกันคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถ้าโดยถ้าโดยหน้าที่โดยฐานะเนี่ยนะรพระมีหน้าที่ทำให้ฆราวาสนับถือคือเชื่อได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีบุคคลที่สืบทอดแล้วหน้าเทิดทูลหน้าบูชาหน้าก้มลงกราบอย่างเสนิทใจนี่คือหน้าที่ของพระทำให้นับถือแล้วก็แต่ว่าฆราวาส ด, ด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะให้ความรู้กันเองด้วยนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในมันมันตรงประเด็นในวันนี้เลยจริงๆแล้วคอนเซปที่ผ่านมาภาพที่ผ่านมาของพุทธศาสนาในไทยโดยเฉพาะในไทยนะมีจุดที่คลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงตรงที่ว่าทุกอย่างมารวมอยู่ที่วัดหมดถ้าจะหาผู้สืบทอดพุทธศาสนายกให้พระที่วัดอย่างเดียวเลยพระหนักตายเลยนะคือแต่ละวันเนี่ย ท่านต้องมีกิจของสงฆ์ทำมากอยู่แล้วและจะต้องมาเออ่ช่ว ย, ย, ยให้ให้ชาวโลกเนี่ย อ, อได้เข้าใจได้รับรู้อะไรต่อเมืออะไรต่างๆถูกต้องตามจริงนึกว่าเออ่ให้มาหันมาเชื่อพุทธศาสนาต้องมากล่อมตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเนี่ยพระทำไม่ไหวหรอกคนที่ทําไหวคือใครคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกคนที่เป็นน้าอ่าคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่ในแวกบ้านอะ พุทเนี่ยตรงเนี้มันถึงได้เป็นเหตุผลนะที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิญาณตนไว้ท่านท่านเคยปฏิญาณไว้ว่าท่านจะไม่เสด็จตับขันปริญิพาน์ตราบใดที่พุทธศาสนายังไม่บริบูรณ์ด้วยพุทธธรรมบุตรีสนั่นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานี่ท่านไม่ได้ยกหน้าที่ให้พระอย่างเดียวนะท่านบอกให้คารวะนัะ่นแหล ะ, ะช่วยกันเองด้วยช่วยทําความเข้าใจช่วยสั่งสอนช่วยเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ตั้งแต่อยู่ในบ้านในบ้านเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้ายังอยากจะบอกว่าที่วัดเนี่ยเป็นที่ที่เรามาทําบุญกันนะอ่าโอเคที่วัดเอาไว้ทําบุญที่บ้านเอาไว้สอนธรรมะกันสอนธรรมะตั้งแต่ขั้นต้นสอนธรรมะในแบบที่ว่าพอมาที่วัดแล้วมาต่อยอดด้วยพระได้สอนธรรมะในขั้นที่ว่าเออเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดเรื่องที่เลื่อนลอยไม่ได้พูดเรื่องที่ล้าสมัย 2,500 ปีผ่านไปเนี่ยล้าสมัยแล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยทั้งหมดคือคําตอบลูกสงสัยอะไรนะถ้าพ่อมีความรู้ได้เท่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาลูกเนี่ยจะเกิดความศรัทธาแล้วก็คือเลื่อมใสในตัวพ่อด้วยที่ตอบตัวเองได้แล้วก็มีแก่ใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาศึกษาต่อด้วยว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้อย่งไรบ้าง แต่นี่มันคือขึ้นต้นมาบอกว่าอ่พ่อทําไมเกิดมาทําไมเนี่ยพ่อบอกมันบังเอิญลูกพ่อมาพ่อมาอยู่กับแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยตอบตอบแค่นี้เนี่ยนะแล้วลูกจะไปไหนต่อลู ก, ลกะจะไปไหนต่อคือลูกก็บอกอ๋อเวลาที่ไปคุยกับเพื่อนอ๋อเนี่ยได้คําตอบมาจากพ่อแม่แบบนี้อ๋อก็คือก็ไม่มีอะไรสิก็ไม่ต้องมีค่ า, อ, าอะไรก็ได้อ ย, อยากทําอะไรก็ทําค<ะ>่ะคือว่าลูกเกิดจากความสนุกของพ่อแม่ เนี่ยคืออันนี้ขอโทษนะเป็นสิ่งที่เด็กสมัยใหม่สืบความคิดกันแบบนี้จริงๆเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีพ่อแม่กี่คนที่ให้คําตอบลูกได้อย่างมีความเข้าใจว่าพุทธศาสนาชี้คําตอบไว้อยังไงชี้ความจริงไว้อยังไงเมื่อไม่มีใครมาชี้ความจริงที่บ้านคุณอย่าหวังเลยว่าลูกหลานเนี่ยจะมาต่อยอดเอาที่วัดด้วยตัวของเขาเองมันไม่มีทางไม่ได้สนิทกันขนาดที่จะเชื่อกันได้ด้วยไหมคะค พระที่วัดเนี่ยใครก็ไม่รู้แต่พ่อแม่ที่บ้านเนี่ยรู้แล้วว่าเนี่ยคนคนที่จะเป็นผู้นําเขาถ้าหากว่าพ่อแม่บอกว่าพระที่วัดคือผู้นําของพ่อแม่อันนี้แหละลูกถึงจะรู้ว่าพระคือที่พึ่งแล้วก็คือผู้นําที่ตัวเองจะต้องไปติดตามจะต้องไปกราบไหว้แต่ถ้ามาสืบความเชื่อกันในบ้านบอกว่าพระเนี่ย เราไปหาเพื่อที่จะทําบุญนะเราไปหาเพื่อที่จะเอไปฟังวิธีการปล่อยวางวิธีการที่จะไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือการสืบทอดที่ทําให้เป็นอย่างทุกวันนี้แหละคือคนเนี่ยเข้าวัดเพื่อทําบุญแต่ว่าเวลาที่จะรับธรรมะไม่รู้จะไปรับที่ไหนนะเพราะว่ารับที่วัดเนี่ยพระไม่มีเวลามากพองานะกิจของสงฆ์นี่ก็มกั่งมายเหลือกว่าที่จะเทําอยู่แล้วในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นก็คือหลกัหลกๆก็คือ คุณพ่อคุณแม่อย่างที่เคยเราเคยได้ยินกันมาน่ยก็เคยได้ยินถ้านมุ่งเกตหลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือพระในบ้านเนี่ยอยู่คือคุณพ่อคุณ<ช>แม่เองแล้วต้องทําตัวเป็นพระด้วยนะเพราะว่าตัวเป็นพระเพราะว่าถ้าพระในบ้านเนี่ยไปอยู่ที่บ่อนนะหรือว่าพระในบ้านไปตบตีทะเลาะบาแว้งอะไรกับชาวบ้านให้ลูกเห็นหรือว่าทะเลาะกันเองตบตีกันเองนั่นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระในบ้านแล้วเป็นเป็นเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์ของเสียงวิวาท S <S ในยุคในศตวรรษใหม่นะค่ะทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยท่านภูมิเกที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะถ้าจะกลับไปเป็นพระในบ้านหรือว่าใครที่ไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เราจะสอนเขาได้มีลูกลายมีคนีอยู่ใกล้บ้านจะเอาอะไรไปสอนวขาดีราคาพี่ตุลคำตอบเวลาเขาเกิดความสงสัยค่ะนะคือตรงนี้เนี่ยผมเป็นสิ่งที่ผมพบความจริงมาอย่างหนึ่งนะคนเราเนี่ย จะเปิดใจรับจริงๆเมื่อมีคําถามเมื่อมีข้อสงสัยไม่ใช่เมื่อใจเขายังปิดอยู่แล้วเราไปพยายามเปิดไปพยายามจําแรกนะตรงนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่ผิดคือเวลาที่อันนี้ผมอยากจะบอกไว้เป็นเทคนิควิธีที่มันถูกต้องจริงๆในการสืบทอดความรู้ความเข้าใจในศาสนานะคือคุณต้องรอเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณสนิทกับใครก็ตามเวลาที่เขาเกิดข้อสงสัยเวลาที่เขามีความทุกข์ เวลาเขาต้องการที่พึ่งทางใจอย่าให้แค่คําปลอบแต่ให้ธรรมะแล้วเขาจะทราบซึ้งพระคุณของพระธรรมแล้วก็อยากจะรู้ต้นต่อของพระธรรมว่าใครเป็นคนพูดก่อนแต่ถ้าหากว่าคุณตอบคําถามไปเป็นคําปลอบโยนง่ายๆตื้นๆบอกว่าปล่อยวางไปเถอะเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางนะใครปล่อยได้ถือว่าเก่งใครปล่อยไม่ได้ถือว่ายังโง่อยู่อะไรแบบนี้นะ มันก็กลายเป็นบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าสอนเรื่องยากเหรอยากเกินกว่าที่มันจะรับได้เกินกว่าที่มันจะย่อยได้นะก็ไม่มีใครรับแต่ถ้าหากว่าเขาเกิดความเศร้าใจนะแล้วเราจำคำพูดของพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างนะผมขอยกตัวอย่างถ้าในในสมัยก่อนเนี่ยมีนางวิสาขาชื่อนางวิสาขาเป็นพระโสดาแล้วนะเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะเจ้าที่ยังอยู่ในเพศคารวะ หลานท่านตายตายด้วยโรคปัจจุบันในสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านก็ยังระ ง, งับความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ก็ร้องผมร้องให้ไปไปไ ป, ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าอ่าให้ปล่อยวางสี่ขนาดเป็นพระโสดาบันนะท่านไม่ได้บอกว่าอ่าปล่อยวางไปเถอะแต่ท่านให้อุบายท่านให้วาทะที่จะกระแทกใจทำให้ลืมความทุกข์ในขณนะนั้นได้ท่านบอกว่านางวิสาขาวิสาขา โยมนะถ้าดูไอความทุกข์ที่มันทําให้โยมร้องห่มน้องไห้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นความทุกข์อยู่แน่แน่โยมรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรนางวิสาขาตอบว่าเพราะว่าโยมเนี่ยมีความรักในตัวหลานคนนี้มากรักมากเหลือเกินมันมันสะกดกลั้นไว้ไม่ได้ไไดไความเศร้าโศกเสียใจรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงรู้แหละว่าคนเราต้องตายแต่มันอดไม่ได้เพราะว่ารักมาก พระพุทเจ้าก็เลยจับคำนั้นแหละคำว่ารักมากเนี่ยท่านบอกว่านี่ถ้ามีหลานอันเป็นที่รักอย่างนี้อีกสักร้อยคนนี่ไม่ต้องไง น, นะเนี่ย้มันร้อยรอบมันต้องร้องอีกร้อยรอบนะถ้ายิ่งมีลูกหลานอีกทั้งเมืองเนี่ยที่มีความรักเท่ากันเ อ, อได้รับความรักไปจากนางวิสาขาเท่ากันเนี่ยมันก็คือวันๆไม่ต้องทำอะไรตายกันทุกวันคนตายกันทุกวันเนี่ก็ต้องร้องให้แบบนี้ใจจะขาดไปทุกวันไปจนตายนางวิสาขาก็คิดได้เออจริง พระพุทธเจ้าก็ตัดสรุปนะบอกว่ามีรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งมีรักสิบก็ทุกสิบมีรักร้อยก็ทุกร้อยนะจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้อย่างน้อยที่สุดผมเห็นเลยนะคือเห็นจากพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นความจริงประการหนึ่งว่ารักที่สุดเนี่ยคืออาการยึดที่สุดอาการของใจที่มันยึดที่สุดแล้วอาการยึดที่สุดเนี่ยคือต้นทางของทุกที่สุด ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพูดกับคนรุ่นใหม่ได้หมายถึงว่าคารวะ ด, ด้วยกันในแบบที่เป็นคําตอบของพระพุทธเจ้าและในแบบที่เรามีความเข้าใจว่าพระพุทธองค์หมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยนะเราได้พวกแล้วคือเมื่อคนใกล้ตัวของเราเกิดอกหักรักคุดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเกิดกันทุกบ้านเรามีทางช่วยเขาและมีสะพานเชื่อมให้เขาไปถึงพระพุทธเจ้าได้นะ ตรงนี้ก็คือหลักการบอกจะให้ทุกคนที่มีความทุกข์แบบนี้มาพึ่งพระมันไม่ทันพระก็ไม่ไหวนะฮะรวมทั้งพระวินัยเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่ด้วยพระบุรีเจ้าไม่ให้พูดเรื่อ ง, องความรักมากนะจะให้มาชักจูงกันมาสองคนสองคนมารักกันหรือว่าจะให้เขาแยกแตกจากกันเนี่ยอันนี้ผิดวินัยส่งแล้วนะมันหมิ่นเหม่มากถ้าพูดเรื่องรักๆคล้ายๆกันที่วัดกับพระ นแต่จะไม่เป็นไรเลยถ้าหากพูดกันที่บ้านพูดด้วยความเข้าใจแล้วก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสไว้เป็นแนวทางอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวชี้นําหรืออย่างอ่าถ้าไม่พูดเรื่องความรักข้ามมาเรื่องความเครียดบ้างเรื่องเศรษฐกิจก็ได้ค่ะพีอะ่อย่างอย่างทุกวันเนี่ยคนเครียดกันเลยแหละคนคิดมากกันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคิดแต่เป็นเพราะว่ามันติดอยู่ในอารมณ์เศร้าติดอยู่ในอารมณ์เครียดติดอยู่ในอารมณ์ความว้าวุ่นใจอะไรต่างๆ ไม่รู้จักที่จะทําใจให้เป็นสมาธิในการทํางานนะทีนี้ถามว่าอา้าวมันเป็นไปได้เหรือทํางานยุ่งๆอยู่เนี่ยแล้วจะให้ไปทําสมาธิไปนั่งสมาธิมันไม่ไหวหรอกยิ่งพอคนรู้นะบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหมายถึงการไปต่างจังหวัดไกลๆนะแล้วก็จะต้องไปปลีกวิเวกอยู่สามวัน7็ดวันอะไรต่อเอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ปิดประตูใส่บอกคําว่าสมาธิไม่ต้องมาพูดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาคําว่าสมาธิไปใส่ไว้ในออฟฟิศเขาล่ะ ฟังดูมันเหมือนกับไม่ใช่วิสัยนะะใครจะมาทำทาสมาธิในออฟฟิศใครจะมาทำสมาธิในที่ทำงานแต่จริงๆถ้าหากว่าเราเข้าใจสติปัฏฐานสี่จริงๆนะมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วด้วยในหลายๆที่นะค่ะอย่างเช่นยังไงคะคือเราต้องมีความเข้าใจโดยขั้นพื้นฐานก่อนค่ะว่าจิตเนี่ยมันจิตเดียวกันแหละนะ จิตที่เป็นสมาธิจิตที่ฟุ้งซ่านเนี ia, captures, ่ยนะมัน <Operation> มันเปลี่ยนจากกุศลเป็นอกุศลนะคือคือคือเป็นเป็นคนละดวงกันในแง่ที่ว่าเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ถ้าพูดถึงเ่ยว่าใจเนี่ยนะที่ทํางานใจที่เป็นสมาธิหรือว่าใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็คือใจเรานั่นแหละใจอันเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักพื้นฐานว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวถ่วงหรือว่าตัวขัดขวางไม่ให้ใจเนี่ยเป็นสมาธิ เรากําจัดองค์ประกอบเสียเสียทางใจออกไปมันก็ทํางานแล้วเป็นสมาธิเกิดสมาธิขึ้นมาได้เองอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในสติปัฏฐานสี่สิ่งที่เป็นเครื่องขวางสมาธิสิ่งที่เป็นเครื่องขวางการเจริญสติก็ได้แก่นิวรณ์ห้านะมีกรรมฉันทะมีพยาบาทมีอุทาจักขูกุจามิจ<อ>ิกิชฌาอะไรต่อนี้อะไรอ่าข้อกๆก็ม้วงเนี่ยละ่ะค่ะอันแรกเนี่ยคือคือเอาเอาถ้าถ้าเราเอามาประยุกต์นะ เราจะเห็นว่าในที่ทํางานเนี่ยทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตั้งต้นขึ้นมาคือความโลภก่อนคือโอเคเรื่องราคาในที่ทํางานอะไรยังไม่ต้องไปพูดถึงแต่ขึ้นต้นเนี่ยพูดถึง น, นะเวลาที่คนนึกถึงที่ทํางานมันจะนึกด้วยความโลภอยากได้เงิน<อ>งเดือนไไอ่าใช่ที่มาของไรายได้หรือโบนัสปลายปีหรือ<ะ>ว่าตําแหน่งอิทธิพลในเออฟฟิศของตัวเองนะอันดับสองคือมันมีความหงุดหงิดขัดเคืองนะ เจอหน้าเจ้านายก็หงุดหงิดเจอหน้าลูกน้องก็หงุดหงิดมันจะมีเจ้าประจํามันจะมีขาประจําอยู่เห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเกิดอาการร้อนขึ้นมาทันทีนะหรื อ, อยัง เ, เวลาทํางานไปฟุ้งซ่านไม่รู้จะทํำยังไงเครียดไม่รู้จะทํำยังไงคือมีแต่การให้คําแนะนําว่าทํำยังไงประสิทธิผลในการทํางานถึงจะดีขึ้นแต่ไม่มีใครให้คําแนะนําว่าทําอย่างไรใจมันถึงจะมีคุณภาพหรือข้อต่อมานะไอ้ความ เบื่อหน่ายความรู้สึกว่ามันจําเจซ้ำซากแล้วไม่มีสีสันอะไรต่อไมปต่างๆในที่ทํางานเนี่ยทําำไปเนี่ยคนนะถ้าทําหน้าที่เดียวกันสิปีขึ้นไปเนี่ยเขาวิจัยกันออกมาแล้วนะไม่ต้องสึงสิปีเนี่ยมันจะเบื่อสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเริ่มเครียดมันจะเริ่มเบื่อหน่ายมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นที่ทํางานเป็นศัตรูทั้งๆ้งที่เดิมทีเนี่ยมีใจรักที่จะทํางานนั้นนะแต่พอเบื่อมากๆเข้าเนี่ย มัน hey, เกิดขังสึงเลยนะเครื่องทรมานเข้าไปปุ๊บนี่นับเวลาอะไรกี่ชั่วโมงอะออกีช่ชั่วโมงเวลาเลิกกี่โมงอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้ข้อสุดท้ายเนี่ยในที่ทํางานเนี่ยนะมันเป็นแหล่งก่อให้เกิดความสับสนลังเลมไม่แน่ใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองพิสูจน์ได้นะคุณลองไปให้โปรเจกต์ใหม่กับใครดูเขาจะทําหน้าสับสนขึ้นมาทันทีจะทําหน้าง ง, งๆว่านี่ผมเหรองานนี้นะหรือว่าเออ่พอโอเค ก้มหน้าก้มตารับมาแล้วนะกุมเป้ารับมาเรียบร้อยบอ่าเจ้านายสั่งให้ทําก็ต้องทำํำนะพอรับมาปุ๊บเนี่ยกลับมานั่งนั่งซึมอยู่เฉยเฉยนั่งนั่งคิดเนี่ยว่าจะทํายังไงให้มันเสร็จจะทํายังไงให้มันสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นไหมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทํางานเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันกับเครื่องขวางสมาธินะความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเนี่ย ความหลงนี่รวมอยู่ใน3ามข้อเลยความพุ่งสั้นความหดหู่แล้วก็ความลังเลสงสัยสรุปง่ายๆถ้าหากว่าเราให้คำแนะนำกับเขาได้ว่าในที่ทำงานจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงออกไปได้ยังไงงานที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่อให้เป็นงานกวาดถนนก็จะทำให้เขาเกิดสมาธิขึ้นมาเพราะว่าใจที่มันจดจ่อยอยู่กับงานโดยไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันก็ทาไปด้วยความเพลิดเพลิน ทำทำงานเพื่องานไม่ใช่ทำงานเพื่อตาแหน่งหน้าที่ไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อโบนัสไม่ใช่หวังผลรางวัลนอกตัวแต่เป็นรางวัลในตัวเองทำงานด้วยความรู้สึกอยากได้สมาธิอยากเป็นสมาธิหรือว่าไอ้ความโกรธเนี่ยนะถ้าเราเอาหลักการของพระพุทธเจ้ามาเราไม่ต้องไปค้นคว้าหาศาสตร์ในการดับความโกรธที่ไหนเลยเนี่ยอย่างสมเด็จยานท่านก็ตรัสไว้ในหนังสือของท่านเมตตาดับโกรธเนี่ยนะ ท่านบอกว่าขันติเนี่ยเป็นที่มาของทุกอย่างเลยนะเป็นที่มาของเมตตาเป็นที่มาของเกียรติเป็นที่มาของศีลเป็นที่มาของอะไรทั้งหมดเลยที่คนเราอยากได้ถ้าหากว่าเราเอาเอาตรงนี้นะเอาเอาตรงนี้ไปขยายความให้เกิดความเข้าใจกันจริงๆเนี่ยขันติในที่ทำงานมันก่อให้เกิดความเมตตาได้ยังไงนะก็ด้วยด้วยการเจาะรายละเอียดลงไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยสมเด็จญาณท่าน th th ก็เอามาถ่ายทอดด้วยบอกว่าจิต ถ้าหากว่ามันไม่ตั้งอยู่ในความคิดเบียดเบียนกันมันจะมีเมตตาออกมาโดยอัตโนมัติคือถ้าไม่มีของเสียๆนะมันจะมีของดีไหลออกมาเองแผ่ออกมาเองนี่คือธรรมชาติของจิตถ้าหากว่าเราทําให้คนในที่ทํางานเขาเข้าใจได้ว่าความเมตตามีค่าขนาดไหนนะความเมตตาทําให้จิตของเขาเหมือนน้ําอันไม่เป็นที่ตั้งของไฟมันก็มีแก่ใจ ที่จะแผ่มเมตตากันแผ่มเมตตาไม่ใช่จะต้องมานั่งสัพเพสตาเวลาหลัวหนุไม่ใช่จะต้องมานั่งท่องแบบนั้นแต่เอาแค่จิตเนี่ยที่ไม่คิดจะเอาจากใครที่ไม่คิดจะเบียดเบียนใครเบียดเบียนใครเวลามีอะไรเข้ามากระแทกแรงๆแทนที่จะโต้อตอบด้วยวิสัยของมนุษย์ธรรมดาแรงมาแรงไปโกรธมาโกรธตอบร้อนมาร้อนกลับแต่ว่าเราเข้าใจจริงๆว่าทุกครั้งที่มีอะไรมากระแทกแล้วจิตของเรามีอาการกระเพื่อมไหวหรือมีอาการร้อนก็แล้วแต่เราอาภัยได้ แล้วไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดไปในทางที่เบียดเบียนเนี่ยสิ่งที่ออกมาโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติของจิตก็คือกระแสของเมตตาเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าเขาเข้าใจได้แล้วเอาไปลองทําตามจริงๆสิบวันยี่สิบวันในที่ทํางานเนี่ยมันจะเห็นผลเลยนะรู้สึกเหมือนใจของตัวเองเป็นน้ําขึ้นมามันมีความเยือกเย็นมันมีความอ่อนมีความละมนุนมีความนุ่มนวลไม่เป็นที่ตั้งของความ โกโรธได้ง่ายๆอย่าว่าแต่ความโกโรธเลยแม้แต่ความงุดหงิดขัดเคืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากแล้วถ้าจิตเป็นน้ําจริงๆนะไอ้ตรงนี้เขาจะเริ่มเห็นเออมันเป็นไปได้นะนที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยมันสามารถฝึกสมาธิกันได้จริงๆเอางานเอาคนในที่ทํางานเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแล้วจากนั้นเนี่ยนะเรื่อ ง, องความฟุ้งซ่านเรื่อ ง, องความอ ปัญหาต่างๆอ่าไอความเบื่อหน่ายความลังเลสงสัยอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราก็เอาเอาเอสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยมาประยุกต์ได้หมดเลยอย่างความเครียดความอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยเป็นพราคิดมากแลบอกแล้วที่คิดมากเนี่ยมันไม่ใช่พราะคิดนะแต่มันแปลว่าไปติดอยู่กับอารมณ์ถ้าหากว่าเราจะสอนให้เขาจเจริญสติได้ในที่ทํางานหมายความว่าไม่ต้องไปติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่เห็นว่าทุกอารมณ์ที่ผ่านมามันจะผ่านไปถ้าหากว่าเราไม่ไปเล่นด้วย ถ้าหากว่าเราไม่ไปผสมลงไม่ไปเข้าข้างมันในที่สุดมันจะผ่านไปการที่เราสามารถตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการทํางานตรงนี้แหละที่มันจะเป็นประตูพาคนรุ่นใหม่เข้ามาหาเราะะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทุ่มทุนหรือว่าทุ่มเทอะไรมากงายแบบที่นั่งคิดว่าะจะทํายังไงถึงจะตรงนี้เนี่ย คนทั่วไปจะเข้าใจได้ว่าเออนิพานคืออะไรนะหรือว่ า, อาประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะเป็นข้อไหนอะไรต่างๆคือไม่ต้องนั่งคิดแล้วช่วยเขาก่อนคือคือคนเนี่ยเขาช่วยเราคิดอยู่แล้วคิดหาคำตอบให้แล้วเอาจากพระพุทธเจ้าเอาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วได้ผลจริงๆกับตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่ต่อๆกันในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสังคมชาวพุทธที่อยู่ในบ้าน เมื่อพูดถึงสังคมชาวพุทธนะคะวันนี้เนี่ยัล น, นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกหรือคอมมูนิตี้ของผ่านโลกอินเทอร์เน็ตเม่เฉพาะไฮไฟ a c e b o o k แต่ต้องมีบ้างหละบางคนที่เช็คอ e ีเมลมีอ e ีเมลอยู่ ก, ก็ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นแล้วนี่นะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเราก็ถือว่าเป็นนายมันได้เหมือนกันพี่ตุลมีแง่คิดอะไรที่จะให้คนที่อยากจะไปช่วยเผยแร่ พุทธะคมูนิตี้หรือว่าสังคมชาพุทธเนี่ยให้ให้กระจายออกไปผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระจายข้อมูลนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหลายๆคนทำกันอยู่แล้วก็คือว่ามีธรรมะอะไรที่ประทับใจก็เอามาช่วยๆกันเผยแผ่ หรือว่าเผยเผยแพร่ให้ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันใ น, นในหมู่สมาชิกยังจะคอนเซปต์ของไ i ไฟหรือว่า Facebook ก็ตามเนี่ยมันก็คือการรวมพวกกันนั่นเองนะถ้าหากว่าเราถูกอัตยาัยกับใครเราก็มาเหมือนกับพูดง่ายๆว่ามีความผูกพันกัน <ฮะ S 2> ด้วยด้วยคอนเน็ชั่นด้ยด้คอนเนชั่นของการเป็นเมมเบอร์นะเมมเบอร์<ะ>ของคนคนหนึ่งคนคือยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยพอยก็คือว่า อินเทอร์เน็ตทําให้เราสามารถตั้งชมรมขึ้นมาได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงคุณจะเป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าคุณมีความคิดอยากจะตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยคุณมีอัธยาศัยแบบหนึง่งจะมีคนที่อัธยาศัยแบบเดียวกันมาเข้าพวกด้วยอย่างแน่นอนร้อซนะเพราะว่า สังคมมันกว้างสังคมอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันผู้ใช้มันหลายร้อยล้านคนนะในการที่เราจะไม่เจอใครที่ต้องอัธยาศัยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เหมือนกันในห้องเรียนที่มีเพื่อนแค่ไม่กี่สิบคน น, นี่เรา่ีเพื่อนเป็นล้านใช่นี่การที่เราเข้าใจนะว่าสังคมอินเทอร์เนต็ตเนี่ยตอนนี้ให้อะไรกับเราให้ช่องทางสื่อสารช่องทางที่จะพูดคุยกันแล้วเราพูดคุยอะไรกัน โดยธรรมดาโดยธรรมชาติของมนุษย์มันมีความประทับใจอะไรมันก็อยากพูดสิ่งนั้นทีนี้ความประทับใจมันเกิดขึ้นจากไหนต้องยอมรับความจริงว่าโรงหนังทีวีแล้วก็วิทยุแย่งไปหมดนะคือคือไอ้สื่อบันเทิงเนี่ยที่ที่เข้าหูเข้าตาตที่มากระแทกมากระแทกใ จ, ใจเราเมันมาจากสื่อบันเทิง ไม่นั้นคนจะพูดเรื่องการบันเทิงกันมากหรือไม่ก็พูดถึงกิจกรรมที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็นการกีฬาการเล่นเกมหรือว่าการพนันในเนียนะผมเห็นนะหลายคนตอนนี้ในเฟเบุ๊กไปเล่นโป๊กเกอร์กันนะตอนแรกๆเล่นเหมือนเล่น และใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆถ ล, ล่ลึกๆเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยสื่อบันเทิงทั้งนั้นสรุปก็คือว่าเราใช้สิ่งที่เป็นโอกาสทองเนี่ยที่เป็นช่องทางที่มันดีที่สุดในโลกทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาไม่มียุคไหนเลยที่เทียบได้กับยุคนี้เราไปเก็บแต่ความประทับใจในทางบันเทิงในทางที่มันจะทำให้เกิดความสนุกสนานขึ้นมาเพราะว่ายังไม่มีหรือว่ามีน้อยไปที่เราจะไปสร้างความประทับใจ ในการให้คําตอบกับชีวิตในการให้วิถีทางในการทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นทําให้มนุษย์คนนึงเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมามันเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆบางคนนะเคยพูดนะบอกว่าเกิดมาเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าคุณค่าของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าวันๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องต้องเฮโลกับเพื่อนนะถ้าไม่มือถือก็ทางทางแชททางเอ็มเทางอะไรต่อเนื่อะไร ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเป็นสิบสิบปีจนวันหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็ทําเงินของตัวเองได้แล้วนะทํางานได้แล้วนะเออนี่ก็มีคนยอมรับ น, นับหน้าถือตานะมีพวกเมียอะไรต่อเมี้อะไ ร, แ ต, ไะไรแต่ใจมันรู้สึกแห้งๆมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสปีเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรเรื่อยเปื่อยไปวันๆนี่คือความรู้สึกขอให้ทราบเลยนะว่านี่คือความรู้สึกของคนรุ่นใหม่จริงๆ อายุยี่สิบสาสิบแล้วมีงานมีการทําแล้วรับผิดชอบหน้าที่ดูเหมือนมีครอบครัวแล้วด้วยซ้ําแต่ยังรู้สึกอยู่เลยว่าที่มีชีวิตไปวั น, วนเนี่ยมันไม่รู้เป็นไปเพื่ออะไรตอบตัวเองไม่ถูกแล้วมนุษย์นะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนอะที่ตอบตัวเองได้ถูกว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรคุณต้องมีใครบางคนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแสดงซะก่อนแสดงความจริงให้เห็น คนทั่วไปถึงจะรับรู้ตามได้มันเหมือนกับสินค้านี่อย่างอย่างสตีฟจ็อบพูดเองเลยนะที่สินค้า Apple สินค้าอะไรเนี่ยเขายัางพูดเองเลยบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าเขาจะได้แสดงให้เห็นสินค้าตัวใหม่ของเขาเนะี่ลูกค้าถึงจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้เหมือนกันมนุษย์เนี่ยคือเกิดมาเนี่ยเอาคาตอบของชีวิตนะ คือไม่มีใครรู้หรอกว่าคําตอบของชีวิตยอยู่ที่ไหนตัวเองเนี่ยมีค่าที่สุดเมื่อทําอะไรไปจนกว่าจะมีใครบางคนอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามาแสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์การที่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุ้มที่สุดคือทําอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะคนถึงเห็นทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเมื่อตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีนานมาแล้ววะคะแล้วไม่มีใครมารีพีทคำพูดไม่มีใครมาบอกต่อมันก็จบก็ไม่มีการสื่อสารต่อ ีวิธีการสื่อสารก็อย่างที่วันนี้พูดกันไปมันต้องสามารถเข้าถึงเขาได้จริงๆเข้าถึงเขาจากโจทย์ที่เขาต้องการไม่ใช่โจทย์ของเรานะก็วันนี้นะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ตุนนะคะได้ฝากอะไรถึงท่านผู้เกียรติที่มาฟังในวันนี้ว่าประโยชน์จริงๆวันนี้นอกจากที่เราจะรับสารอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราจะไปส่งสารอย่างไรแล้วที่สาคัญเลยก็คือ วันนี้เราพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่เราเป็นคนในศตวรรษนี้ต่อให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ามาสองพันกว่าปีแล้วมันยังไม่สําคัญเท่าที่เราจะต้องเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไรขยายพิจุนฝากนิดนึงค่ะคือทั้งหลายทั้งปวงนะอยากจะให้ทุกท่านจําให้ได้ว่าก้าวแรกของคุณเริ่มมาจากที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประทับใจของคุณที่ทําให้คุณตัดสินใจ เชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและจิตของคุณเนี่ยมันสว่างขึ้นมาได้ด้วยธรรมะแบบไหนตามลําดับอย่างไรขอให้จําให้ได้เพราะว่าอันนี้พูดตรงๆนะว่าคนที่คือธรรมะเนี่ยเหมือนมีอาถรรพ์ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีโอกาสมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปฉลาดกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป คือมันต้องไปถึงที่สุดจริงๆถึงจะไปถึงความเข้าใจแบบพระละหันว่าต่างกันแค่ไหนที่ภายนอกมันก็เหมือนกันที่ภายในคือประกอบด้วยขันห้ากายใจนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยสาระมันมีอยู่แค่นั้นเองไม่ได้ต่างกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะแต่เป็นเพื่อนร่วมแชร์ธรรมชาติเดียวกันมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเห็นใจ คนที่เขาจะก้าวเข้ามาถ้าตั้งต้นด้วยความเข็นอกเข็นใจนะโดยที่ไม่มามีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องฉลาดตามฉันให้ได้เองแต่ว่าเราต้องมองว่าเราจะฉลาดยังไงให้เขามาตามเรานี่ตรงนี้ที่มันจะเป็นเหตุมันจะเป็นชนวนให้เกิดการแพร่ลามของศาสนาไปจริงๆนะศา ส, สนาที่ถูกต้องนะต้องอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่อยู่ที่วัดวัดเนี่ยเป็นจุดรวม ของจิตใจเป็นศูนย์กลางของจิตใจเป็นที่ที่สูงสุดเป็นที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเมีปฏิปทาอย่างไงหรือว่าทําให้คนมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าเหลักฐานของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่จริงแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเนี่ยต้องไม่อยู่ที่วัดต้องอยู่ที่บ้านเหมือนผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นนะอย่างศาสนาบางศา ส, สนาเนี่ยคุณไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยแล้วขอ ให้เขาพูดถึงคำพีของเขาเนี่ยจะมีอย่างน้อยคนหนึ่งในบ้านที่พูดได้อย่างแตกฉานบ้านไหนก็ได้แต่ว่าศาสนาพุทธของเราเอาตามความเป็นจริงนะยอมรับให้ได้นะว่ามันอันนี้เป็นความจริงเนะี่ยคุณไปหาทั้งหมู่บ้านบางทียังไม่เจอเลยคนที่แตกฉานคนที่แตกฉานขึ้นมาจะกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีแต่ศาสนาอื่นเนี่ยให้แตกฉานยังไงอา้าวก็เหมือนเหมือนกันนะหักสีเท่ากัน แต่ของเราเนี่ยใครแตกฉานขึ้นมาโอ้โหเก่งเป็นอัจฉริยะนะทั้งๆ ท, ที่จริงๆเนี่ยอัจฉริยะทางศาสนาเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความสนใจที่มากกว่าคนอื่นความสนใจเท่านั้นเนี่ยที่ทำให้เกิดแมีความมีแก่ใจศึกษาลงไปให้ถึงแก่นจริงๆไม่ใช่แค่จําไม่ใช่แค่รู้แต่ว่าให้มีสติแล้วก็มีจิตวิญญาณในแบบที่เป็นพุทธจริงๆถ้าหากว่าเราเริ่มกันตั้งแต่นี่แหละบอกว่าสหัสวรสด์ใหม่เนี่ย นะยุค2000เนี่ยเราไม่เอาแล้วที่มาจําว่าทุกอย่างต้องมาพึ่งพระพระต้องเป็นที่พึ่งทางปัญญาไม่ใช่เป็นที่พึ่งในแบบที่ทําตัวเป็นทุนในทะเลให้ทุกคนมาเกาะหมดนะมันไม่ไหวแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาเป็นเหมือนโดมิโนโอะนะมันมันล้มมาตั้งแต่จุดแรกของความเข้าใจมันล้มหมดเลยมันมันจะมันจะ เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นการสืบทอดที่ทําให้มีการแบ่งว่านี่หน้าที่ของพระเท่านั้นนั่นหน้าที่ของคารวะหน้าที่ของคารวะนี้มาทําบุญอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องพูดแต่ถ้าเราปรับมุมมองใหม่อย่างนี้นะว่าเราให้คารวะนี่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยได้ไม่แพ้พระนี่พูดถึงความรู้ความเข้าใจนะมันจะกลายเป็นว่าบ้านทุกบ้านสามารถเป็นวัดได้หมด พุทธศาสนาจะเป็นศาสนาที่กระจายอยู่ทั่วไปทุกหย่อมย่าไม่ใช่มีอยู่ในวัดแค่สาม 0,000 ื่นกว่าวัดนะบ้านบ้านเดินผู้คนมีเป็นล้านล้านหลัง น, น, นะถ้าหากว่าทําให้บ้านเป็นล้านล้านหลังทุกหลังเนี่ยมีผู้ที่แตกฉันได้อย่างน้อยคนนึงเนี่ยมันหมายความว่าศาสนาของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่สิบเท่ายี่สิบเท่ามันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกะี่หมื่นเท่านะตรงตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่า อ, อ ถ้าจะทําความเข้าใจพุทธศาสนาถ้าจะอยากสืบทอดศาสนาเราสืบทอดกันด้วยความเข้าใจดีกว่าเราสืบทอดกันด้วยความรู้สึกออกมาจากใจจริงๆเลยว่าตัวตนจิตวิญญาณแบบพุทธแบบพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วเราอยากเรียนแบบเราอยากทําตามแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้นั้นเนี่ยมาเผยแพร่มากระจายให้กับทุกๆคนนะั้นที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเป็นพุทธเหมือนกันเกิดใต้ คือมีวาสนาที่จะ อ, อยูอ่ภายใต้พระบรารมีของพระพุทธเจ้านะ อ, อยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับสาหรับค่ะก็ขอบคุณพี่ตุลดังตรินไดรอัศรันไตรเวทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะได้ทราบถึงกลยุทธ์ต้องใช้คาว่ากลยุทธ์ก็ได้นะคะในการที่จะเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ศาสนาไปสู่ ทุกคนที่อยู่ในบ้านนะคะวันนี้กลับบ้านไ ป, ปลองนึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นแบบอย่างให้กับคนในบ้านได้ยังไงบ้าง น, นะคะค่ะมีพี่ท is> ีมงานบอกว่ามีท่านผู้มิเกียร์อยากจะถาม พี่ตุลถามอีกแล้วถามก็คือถ้าใครมีเ้อเสนาขอให้อยู่ในขอบเขียนนี้ก็แล้วกันก่อนนะแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าคุยกันเรื่องแล้วอื่นๆเรื่องปฏิบัติเรื่องอต่างๆก็เดี๋ยวค่อยเป็นโอกาสอื่นแล้วกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีใครอยากจะถามอะไรวิทยากรของเราไหมคะในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาในศตวรรษใหม่นะคะหรือว่าเราจะกลับไปทําตัวอย่างไรให้ เป็นพระในบ้านไปนที่พึ่งในบ้านให้กับอ่ครอบครัวนะคะหรือที่บ้านครับก็ยกมือให้แล้วกันให้เจ้า ห, หน้นนาทีเ่เดี๋ยวจะได้เอาไม้ไปให้จะมีไม่เอ่ยมีแต่ไม่เปิดเผยตัวอย่างนี้บ้างค่ะจะให้ส่งขึ้นมาเป็นกระดาษก็ได้น ะ, นะคะส่งให้กับทีมงานาจะมีทีมงานอยู่นะคะมีแล้วหรือเปล่าคะอยู่ด้านข้างมีไหมยังนะคะงั้นตอนนี้เนี่ยถ้ า, าอยากถาม<ข>เรื่องกรรมเรื่องมิบากเรื่องอะไรเนี่ยก็โอเคยังถามได้อยู่นะคะ ถ้ายังแต่แล้วถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติถ้าถามเป็นกลางๆนะถามเป็นแบบที่ว่าทุกคนจะได้ฟังเท่าๆกันเนี่ยก็กยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมทานให้กับให้กับออ่ทุกๆท่านที่มาฟังพร้อมๆกันด้วยนะคะทางทางคุณแม่ชีเองมีอะไรอยากจะถามไหมคะเป็นเคล็ดลับเผื่อว่าจะได้ไปบอกกับใครๆที่ครอบครัวหรือว่าเป็นาีเคือด ล, ลับมีใครมาปรึกษาเรื่องของความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆที่ อ๋อมีแล้วนะคะขอบคุณค่ะอยากจะถามพี่ตุนนะคะว่าบทบาทของอาจารย์ในการเป็นครูหรือว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยวางบทบาทของตัวเองยังไงคือทุกอย่างมันมาตามธรรมชาตินะนะมันไม่ได้ตั้งใจไว้ตีกรอบไว้ว่าจะทำยังไงหรือว่าจะมีบทบาทอะไรนะครับ ที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้ตั้งสเปคไว้ว่าตัวเองเป็นครูไม่ได้ตั้งสเปกไว้ว่าตัวเองเป็นอาจารย์นะไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ว่าก็จะตั้งบทบาทตัวเองไว้ตามความรู้สึกจากเดิมเนี่ยที่เป็นคนสงสัยที่สงสัยชีวิตที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความทุกข์มากกับเรื่องออโจทย์โจทย์ง่ายๆสั้นๆแต่ว่าตอบยากที่สุดนี่ก็คือว่าเกิดมาทาไม ที่เกิดมาเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปนะคือไม่ใช่ทําอะไรกินนะแต่หมายความว่ามีอะไรบ้างที่ใจเรารักจะทําจริงๆใจเรารักจะเป็นจริงๆรงนี่เราได้คําตอบจากพระพุทธเจ้ามาเราก็อยากที่จะมันก็มีความทุรนทุรายอยากจะให้คําตอบนั้นนะไปถึงชาวพุทธกว้างเพราะว่าตอนที่เราสแสวงหาคําตอบเนี่ยเร า, ไ ม, าไม่ได้เ ร, เราบอกเราใช่ไหมคะเราไม่ได้คําตอบง่า ย, ายๆเราต้องไปค้นคว้าเอาเองเราต้องไปศึกษาแล้วคือกว่าจะ ไปเจอสิ่งที่เป็นคําตอบได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องผ่านความสับสนมาเยอะนะเพราะว่าคําตอบแต่ละของแต่ละคนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเราเราไม่สามารถเอื้อมถึงเราไม่สามารถเข้าใจได้ทีนี้พอเราไปเข้าใจหรือว่าไป เ, เหมือนกับได้ได้ได้สิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตมาเนี่ยคือคําตอบที่เรารู้สึกว่ามันมันใช่จริงๆแล้วจน ตั้งแต่ถึงวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันก็ยังใช่อยู่นะมันไม่มีข้อสงสัยมันไม่มีอะไรอย่างเช่นง่ายๆร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นศพนี่เป็นความจริงที่ดิ้นหนีไปไหนไม่ได้นี่เป็นคำเป็นคาตอบในชีวิตที่เหมือนกับเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เออง่ายๆแค่นี้เองนะคำตอบเนี่ยมันมาประชุมกันแป๊มหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกสลายไปมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน หน้าที่ของเราคือทํายังไงใช้ชีวิตให้มันเข้าถึงความจริงตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปสร้างความจริงอย่างใหม่ขึ้นมาหรือว่าจะไปหาความจริงที่มันปรากฏอยู่ในโลกอื่นแต่ว่าเอาความจริงที่มันอยู่ตรงหน้านี่แหละต่อหน้าต่อตาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ใจเราสามารถประจกักตรงนี้พอเราได้คําตอบแล้วเราคิดว่าเราเราเราเห็นผลกับตัวเองแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เลยขวนขวายซึ่งโอเคออกมาในรูปของการเขียนหนังสือซะเป็นซะเป็นส่วนใหญ่ ปีที่ผ่านมาก็ไปบรรยายตามที่ต่างๆอันนี้มันก็ขยบขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งจะช่องทางไหนก็แล้วแตนะ่ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะแชร์สิ่งที่เรารู้สึกว่ามีค่าเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งพระเลรเจ้าให้มาไม่อยากให้สูญหายไปเพราะช่วงที่เราเริ่มกระตอกกระแตแล้วก็หันหน้าซ้ายทีขวาทีเนี่ยมันเหมือนกับเต็มไปด้วยความสับสนเราอยากจะทาให้ความสับสนนียมันจบ แล้วก็เป็นที่ลงตัวกับคนร่วมสมัยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยนะพระพุทธเจ้ามาคลายความสงสัยของพวกเราต่างหาแลวตรงนี้เนี่ยถ้าทำออกมาในรูปของการถามการตอบมันก็เวิร์กเพราะว่าผมพบแล้วว่าใจคนเนี่ยจะเปิดตอนที่มีคำถามไม่ใช่ตอนที่กำลังฟังอยู่เฉยๆตอนที่ฟังอยู่เฉยๆใจมันปิดนะใจมันเหมือนดอกไม้หุบมันยังไม่บานออกมามันยังไม่พร้อมจะเปิดรับอะไร นี่ตรงตรงนี้เนี่ยสรุปก็คือบทบาทด้วยบทบาทเนี่ยในใจไม่ได้รู้สึกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เป็นคนร่วมสมัยที่อยากจะให้คนร่วมสมัยด้วยกันเนี่ยหันกลับมาทำความรู้จักกับพระพุทธเจ้าผ่านคำตอบของพระองค์ถ้ารู้จักคำตอบของพระองค์ถ้ารู้จักว่าพระองค์ตรัสอะไรไว้นั่นแหละก็คือตัวพระองค์ นะเป็นเป็นสิ่งที่จริงๆว่าไม่ยากถ้าช่วยกันทํานะครับค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึงนะคะเป็นเรื่องว่าการแก้กรรมโดยใช้วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะปัจจุบันเนี่ยคำคำว่าแก้กรรมมันจะไปผูกอยู่กับพิธีกรรมนะพูดง่ายๆว่ากรรมในอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าเคยไปทําอะไรมารู้แต่ว่าถ้ามาเข้าพิธีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น สมมุติว่าวิธีการแก้กรรมหรือวิธีการตัดกรรมแบบนั้นได้ผลจริงๆคุณมาเข้าพิธีแล้วมันมีความสุขขึ้นมาหนึ่งวันมันหมายความว่าคุณจะต้องทําพิธีกรรมแบบนั้นไปทั้งชีวิตคุณถึงจะมีความสุขได้ทุกวันนี่คือวิธีการแก้กรรมในแบบของคนยุคใหม่ที่ไปเข้าใจอะไรผิด แต่ถ้าหากว่าเป็นการแก้กรรมแบบของพระพุทธเจ้าคุณทำความเข้าใจก่อนเลยว่าทั้งหลายทั้งปวงนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าน้ำหนักของความคิดคำพูดและการกระทำถ้าหากมันดีแล้วมันก็จะมีผลดีตามไปด้วยนะผลผลที่ออกมามันจะต้องดีตรงนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ พูดจาไม่ค่อยดีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปากเสียเนี่ยนะมันเปรียบได้ง่ายๆเหมือนกับสมมุติคุณปากเหม็นอยู่เนี่ยคุณทํำยังไงไปแก้ไปทําพิธีแก้ปากเหม็นเหรอไม่ใช่นะมันมันต้องมาแปลงฟันมันต้องมาบ้วนปากมันต้องมาทําความสะอาดกันนะเช้าเย็นหรือว่าวันละสามรอบมันถึงจะหายปากเหม็นนี่ก็เหมือนกันถ้าปากเสียแล้วเนี่ย แล้วผลจากการปากเสียไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆอะไรก็แล้วแต่ใครมาตีหัวหรือว่าใครมา เ, เป็นศัตรูอะไรต่อเม่อไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปทาพิธีกรรมคุณอาจจะรู้สึกว่าคนเป็นมิตรมากขึ้นออกมาจากพิธีแล้วดูหน้ามันยิ้มๆหน้ามันเปิดๆบานๆนะดูหน้าเป็นมิตรแต่อีกวันต่อมาปากเสียอีกแล้วไปด่าเขาอีกแล้ว ที่เขาเป็นมิตรกับคุณชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าเห็นหน้าใสๆ บ, บานๆเนี่ยตอนออกมาจากพิธีเนี่ยเขาก็เลิกนะกลับมาเป็นศัตรูกับคุณใหม่แต่ถ้าหากว่าเนี่ยพูดง่ายๆนะคุณต้องทําพิธีทุกวันมันถึงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยนะแต่ถ้าหากว่าคุณแก้อาการปากเสียด้วยการรู้ตัวว่าเออไอนี่เขาเรียกว่าจีทุจริตมันเป็นเหตุให้คนเขาเกลียดมันเป็นเหตุให้เกิดศัตรูนะความมีแก่ใจที่จะแก้แก้ปากของตัวเองเนี่ยนะ ด้วยการเอาธรรมะด้วยการเอาศีลมาขัดปากนะมันก็เกิดเป็นความหอมหอมด้วยศีลขึ้นมาปากหอมด้วยศีลขึ้นมาตรงนั้นหมายความว่าถ้าคุณแก้กรรมด้วยการเปลี่ยนปากของคุณแค่ครั้งเดียวได้ชีวิตที่เหลือมันมีความสุขไปตลอดมันไม่ต้องไปแก้อีกมันไม่ต้องไปแก้กรรมใหม่นะนี่คือหลักความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้กรรมตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านะครับ ค่ะจริงๆพอบอกว่ามีคำถามรูปเหล่านี้นะคะคำถามมาเยอะทีเดียวเลยคะ่ะอยากอ่านให้ครบทุกคำถามแล้วพี่ตุนเลือกตอบได้ไหมคะอย่างนี้ดีไหมคะเพราะว่าได้นะคะนะก็จะถามว่า ทำงานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องนะคะมีคำแนะนําในการเผยแผ่พระด้วศาสนาอย่างไรนะคะต่อมานะคะก็เกี่ยวกับว่าเอาเอาข้อนี้ก่อนเลยเหคะเรามีเวลาอยู่แค่คําถามเดียวค่ะพี่ตุลงั้นงั้นงั้นรวมๆกันแล้วกันนะคะแล้วก็ขอเรียนถามว่าถ้ามีเด็กๆน้องๆในสถานพินิษฐ์ทั้งหญิงและชายเนี่ยนะคะจะช่วยยังไงพูดยังไงให้ถนอมน้ําใจคนที่เคยทําผิด รู้ผิดเห็นผิดทําผิดไปแล้วนะคะรวมทั้งอีกอันหนึ่งก็คือเจ็เดินบรรลุธรรมเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรจึงจึงแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่ส่งคําถามมาก็บอกว่าประทับใจมากค่ะ อ, อ๋อเป็นสามสามข้อนี้ก็แล้วกันแม่เจนะ็ด<ถ>เดินบรรลุธรรมเนี่ยเป็นคําตัดของพระพุทธเจ้าคือคือเป็นส่วนหนึ่งของคําตัดของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท้ายมาหาสติปัฏฐานสูตรว่าใครก็ตามที่จะเดินสติปัฏฐานท่านใช้คํานี้นะใครก็ตาม ใครก็ตามนะไม่จํากัดว่าเป็นพระหรือว่าเป็นคาระวะใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานตามที่พระพุทธองค์ตรัสประทานแนวทางไว้นะต่อให้มีบุญน้อยขนาดไหนยังช้าเจ็ดปีได้เป็นพระอรหันต์คือทําอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างถูกต้องตามที่พระองค์ประทานหลักหลักสูตรไว้จริงๆนะยังช้าที่สุดเจ็ดปีได้เป็นพระอรหรันตะ์เนี่ยถ้าบุญน้อยจริงๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะก็ได้เป็นพระนาคามี นี่คือเจ็ดปีนะคนที่บุญน้อยที่สุดเลยนะแต่ถ้าหากว่ามีบุญอย่างกลางมันก็คือก็จะไล่ลําดับลงมาหกปีบ้างห้าปีบ้างย่อลงมาจนเหลือแปดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ไอ้พูดง่ายๆว่าถ้าอย่างกลางๆเนี่ยก็จะประมาณสามปีบ้างเจ็ดเดือนบ้างอะไรอย่างงี้คนที่บุญบารมีมากที่สุดเลยเนี่ยถ้าจเจริญสติปัฏฐานไปเนี่ยเจ็ดวันแค่นั้นบรรลุได้เป็นไม่ใช่เป็นโสดานะแต่เป็นพระรหันเลยนะ คนที่มีบุญใหญ่ๆเนี่ยความคำ ว, ว่าบุญใหญ่นี่ก็คือว่าจิตเนี่ยเออมันมีศีลอยู่แล้วมันมีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะรู้เห็นตามจริงอยู่แล้วว่าภายในขอบเขตกายใจเนี่ยมันแสดงอยู่ตลอดเวลาด้วยของที่มันไม่เที่ยงของที่มันไม่สามารถบังคับควบคุมได้จิตเนี่ยถ้ามันไปเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปจดจอรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยผลก็คือเกิดธรรมชาติของมรรคของผลขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผมมาพูดว่าเจ็ดเดือนมรรู้ธรรมที่นับปกเพราะอะไร เพราะต้องการให้เป็นคําตอบเลยสําหรับเพราะผมได้ยินมามากก่อนก่อนหน้าที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ยถามประจําเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอีกกี่ชาติถึงจะได้บรรมมลุมรคผลน ะ, ะคือไปถูกเสี้ยมสอนมาบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยหมดสิทธิ์เป็นผู้หญิงเนี่ยบุญ น, น้อยไม่ได้หรอกนะมรคผลเนี่ยอันนี้ต้องขอให้ทําความเข้าใจพระอานนท์เคยทูลถามเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้หญิงบวชเนี่ย นอรนนท์ถามว่าคือลูกไม้เด็ดไม้ตายของพระนนท์ก็ถามว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ได้โสดาไหมพระพุทธเจ้าตรัสกล่วว่าได้มีสิทธิ์ได้สักคาคาไหมตรัสว่าได้มีสิทธิ์ได้อนาคาไหมตรัสว่าได้มีสิทธิ์ได้ทําขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่าได้และด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ถึงยอมอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้นี่นะตรงนี้เนี่ยเมื่อทําความเข้าใจกันถึงแก่นจริงๆว่าที่จะได้และจะไม่ได้เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในยุคไหนสมัยไหนอยู่ในเพศใดแต่มีเงื่อนไขเดียวคือว่าปฏิบัติรู้จักวิธีปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4ี่ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้จริงๆหรือเปล่าถ้าหากรู้จักวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วท่านตรัสว่าใครก็ตามที่จเจริญสติปัฏฐานแบบนี้เจปีเป็นอย่างช้าได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนนะแต่ว่าผมเอาม า, เ, า, เ, าเป็นชื่อหนังสือไว้เป็นกลางๆว่า7็เดือนบรรลุธรรมหมายถึงว่าผู้มีบรารมีอย่างกลางๆ คือว่าในอธิกฐาเนี่ยจะบอกไว้ถ้าถ้าบารมีหรือว่าอินทรีย์อย่างกลางๆเนี่ยจะประมาณ7เดือนนะผมก็ไม่ใช่จะยกมาเฉยๆแต่แสดงให้เห็นเลยว่าเป็นคราวาสเนี่ยนะถ้าเป็นคราวาสปฏิบัติตามสเตปบายสเตปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแสดงให้เห็นถึงปรากฏการภายในจิตนะว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนเริ่มต้นขึ้นมายังฟุ้งๆอยู่เลยเพิ่งอกหักมาเนี่ยนะ มีความเจ็บปวดนะมีความรู้สึกกระวนกังวัยอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นสมาธิขึ้นใหม่อย่างไงนะมันเริ่มมีสีมันเริ่มมีสัตว์มันเริ่มมีความพร้อมที่จะเห็นว่ากายใจในี้มันฟ้องอยู่ด้วยอาการไม่เที่ยงมันฟ้องอยู่ด้วยอาการบังคับไม่ได้อย่างไงนะแล้ ว, วาอาการต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนที่เหมาะที่ควรถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่อนาปานาสติอย่างถูกต้องขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะพูดง่ายๆนะคาตอบที่สุดเนี่ยคำว่าเจ็ดเดือนบรรลุธรรมเนี่ย ไม่ใช่คำของผมนะแล้วไม่ใช่ประสบการณ์ของผมด้วยนะเรื่องเจ็ดเดือนมนุธรรมเป็นเรื่องแต่งแต่เป็นการแต่งโดยยืนพื้นอยู่บนการปฏิบัติของจริงเอาผลของประสบการณ์ของนักปฏิบัตินักภาวนาหลายๆคนเนี่ยมารวมเข้าไว้ด้วยกันมาผูกเข้าไว้ด้วยกันเป็นลําดับเวลานะละเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อไอ้คำท่าน้องนักศึกษาแพทย์นะค่ะก็ออ๋อทางานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับนักศึกษาแพทยุ่นน้องมีคำแนะนำในเรื่องของการใส่ <ไป S 1> ล้าร่างค่ะ ในวงการแพทย์เนี่ยนะเหมือนขอขออภัยนะเหมือนใกล้เกลือกินด่างเพราะสิ่งที่อยู่ติดตัวของคุณที่สุดเนี่ยคือการเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเรียนปีสองเนี่ยต้องเรียนผ่าศพอาจารย์เนี่ยนั่นก็คือของจริงกันเป็นที่สุดอีกเหมือนกันนะผมเห็นแค่ภาพเนี่ยแต่ผมโชคดีกว่าพวกคุณหน่อยอันนี้พูดกับนักศึกษาแพทย์นะพูดกับอาจารย์แพทย์คือ ผมโชคดีว่าพวกคุณหน่อยตรงที่มีคํากํากับด้วยตอนเห็นศพครั้งตอนเห็นภาพศพที่มันมีแรงประทับมากๆเนี่ยมีคํากํากับท่านอาจารย์ทำรักษาท่านท่านกำกับไว้บอกว่าทุกแท้แปรผันเน่าเหม็นแตกดับคือมันไม่ได้มองเห็นศพเฉยเฉยแต่มีคําที่ทําให้เกิดทิศทางในการเห็นด้วยเห็นไปในทางที่เกิดความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาว่าร่างกายที่เรานึก ที่เรายึดที่เรารู้สึกอยู่ว่านี่เป็นเราแน่ๆเป็นของเราแน่ๆเนี่ยที่แท้แล้วมันเป็นการประชุมกันของธาตุชั่วขนาดหนึ่งชั่วขนาหนึ่งของสังสารวัตรเนี่ยชั่วกระพิบตาชั่วสายฟ้าแลบของสังสารวัตมันเป็นแค่เหยื่อล่อให้เราไปยึดแต่แท้ที่จริงแล้ววันหนึ่งมันจะต้องกระจัดกระจายหายไปมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปมองนะในความจริงของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพอเห็นโศพเป็นยังไงยี่ นะมีอาการผงาะออกมีอาการที่เกิดความรังเกียจแล้วก็จะได้แรงปัท้าอยู่แค่นั้นนักศึกษาแพทย์ปีสองเหมือนกันผมสัมภาษณ์มาหมดนะีมีความรู้สึกเดียวกันคือพอเห็นศพครั้งแรกโอ้จะอ้วกนะกินข้าวไม่ลงแต่พอผ่าศพไปผ่าศพมาแล้วก็เรียนเออมันก็เนี่ย กลิ่นมันก็แค่นี้ก้อนเนื้อมันก็แค่นี้บางทีผ่าไปผ่ามาชิ้นเนื้อกระเด็นเข้าปากก็ปัดออกแล้วก็โยนทิ้งพาตอนะีคุยกับเพื่อนเล่นได้สนุกนี่คือความจริงคนเนี่ยถ้าหากว่าเห็นศพแล้วเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมามันเริ่มจากความดังเกียดก่อนแล้วพอชินขึ้นมามันกลายเป็นอะไรมันคล้ายๆลสับปเปลือกมันเห็นเป็นท่อนฟืนเฉยเฉยไม่เกิดความรู้สึกอะไรไม่เกิดความรู้สึกรู้สาอะไรแต่ทีนี้ถ้าใช้โอกาส โดยความเป็นนักตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะไม่ไม่ให้มันจิตใจมันด้านชากระศบซะ ก, ก่อนขึ้นต้นมานี่เห็นความหน้ารังเกียรตแล้วเนี่ยเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาที่ตัวเองโดยความเป็นอย่างนั้นเห็นตัวเองโดยความเป็นอย่างไรน้อมเข้าไปที่ตัวคนอื่นโดยความเป็นอย่างเช่นนั้นเช่นกันอันนี้ก็นะตัวอย่างก็คือว่าพอผ่าศพแล้วเนี่ยเราเห็นความเป็นคนอื่นเนี่ยที่มันอยู่ใต้เนื้อหนังเข้าไปมันเต็มไปด้วยของหน้ารังเกียจก็น้อมเข้ามา ข้างในของเรามันไม่ได้มีความโสภาอะไรต่างไปจากเขาเลยนะมันมีแต่ความหน้ารังเกียจเหมือนกันเพราะเกิดความรังเกียจมันต้องเป็นความรังเกียจที่ยืนพื้นอยู่บนอุเบกขาด้วยนะมันต้องมีสมาธิอยู่นิดนึงคือพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนไม่ตามลําดับคือคือจะต้องมีความสุขจากอานาปานาสติซะก่อนแล้วเห็นตัวเราโดยความเป็นศพเนี่ยมันจะไปเห็นคนอื่นโดยความเป็นศพได้เหมือนกันที่มันยังเดินเดินอยู่เนี่ยนะก็จะเข้าใจ ค, ค, ค, ค, คือมันไม่ใช่แค่ตรงเรื่องของศพจริงๆทุกวันแพทย์นะหรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้เห็นความจริงอันมีค่าอย่างยิ่งยวดเลยแล้วก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความปล่อยวางได้ง่ายนะเกิดากาเจ็บตายเนี่ยเวลาอย่างอย่างเวลาคนไข้าตายขึ้นมาเนี่ยแพทย์มักจะมีความทุกข์เพราะว่าญาติเนี่ยบางทีมาไวยวาย หรือไม่ก็ตัวเองเกิดความรู้สึกผิดว่า่ช่วยเขาไม่ได้อะไรแบบนี้นะหรือไม่ถ้าหากว่าจะทําใจเฉยๆปล่อยวางมันก็กลายเป็นด้านชาไปเลยไม่มีจิตใจเมตตาไปแต่ถ้าหากว่าเราเอาตามที่เอามาใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะคือเห็นความตายเนี่ยเป็นสัญญาณมาเตือนมาเตือนบอกว่าเออเนี่ยกายแบบนี้ลมหายใจแบบนี้จิตใจแบบนี้ที่เรากําลังเป็นอยู่กันอยู่เนี่ยจะไม่ต่างจากเขาในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะกลายเป็นศพเหมือนกัน แล้วก็น้อมมาพิจารณาเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะแค่นี้ทุกวันนะถ้าทําอยู่ทุกวันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกปล่อยวางขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปล่อยวางแบบอึดอัดนะมันมันจะปล่อยวางด้วยความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเข้าใจเราเห็นความจริง มันถึงได้เกิดความปล่อยวางขึ้นมาค่ะขอบคุณนะคะก็ขออภัยนะคะที่อาจจะเลยเวลามาสักแป๊บหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้รับทราบถึงเรื่องราวทั้งเรื่องของพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่การเผยแผ่ยผยอย่างไรที่เราสามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่คำสอนของพระพุทธองค์นะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะใครที่ได้มีโอกาสอ่านงานพระนิพนธ์ของ องสมเด็จพระยายนสังวรสมเด็จพระสังคาราชก็สามารถที่จะนำคําสอนที่ทันสมัยของท่านเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณคุณสรานมัตรีไว้ขอเสียงประมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าและทุกท่านค่ะและกราบนมัสการพระเทพดิหลกประธานกรรมาการผนังงานานิทรรศการและสัมมานาวิชาการให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรของเราคือพี่ตุลค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ